ตอนประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติกราบนวสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยยมิตรทุกท Census ่านก็วันนี้พูดชดเชยวันเสาร์นะดารามีเสียงเรียกร้องก็ต้องให้ใช่ไหมก็พรุ <g <g <g <g ่งนี <g <g <g <g <g <g ้ผู <g <g <g ้ปฏิบัต tamam ิก็ทยอยกันกลับนะ ก็ถือโอกาสมีอะไรพูดคุยกันหน่อยหนึ่ง25ปีพระครูมาอยู่ที่นี่20ปีแรกก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เก็บตัวอยู่ตรงนี้5ปีที่ออกข้างนอกเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเรื่องนี้พัฒนามาระยะหลายสิบปีแล้วล่ะตั้งแต่โดยเฉพาะยุคช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ชนะสงครามก็ตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีเน้นไปที่เสรีสิทธิเสรีภาพเขาเน้นเรื่องนี้โดยมีแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันถ้าในทางโลกเราเรียกว่าเหมือนเป็นไอเดียเป็นความเชื่อเป็นลัทธิหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเดินแบบนี้แล้วนี่โลกจ ะ, จะเจริญ ก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนหปีที่พ่อครูออกไปแล้วเนี่ยยิ่งยุคนี้เป็นยุคข่าวสารไล่พรมแดนตั้งแต่ที่เขาบอกว่า เ, เนี่ยจะเป็นยุคเรือแข่งขันในเรื่องข่าวสารเนี่ยจิตพ่อครูก็บอกว่าข่าวสารเร็วนะข่าวสารเร็วเนี่ยมันก็เร็วไวถ้าข่าวสารดีมันก็ดีไว แต่หลายปีที่ผ่านมาเราเห็นรู้ๆกันแล้วว่ามันไปในทางที่เร็วหรือดีนะก็มันเร็วมากการสื่อสารเร็วมากมันก็กระตุ้นประสาทของมนุษย์เราต้องเร็วขึ้นนะทุกอย่างคอมพิวเตอร์ก็พัฒนามาเกินเพราะครูเคยอยู่วงการคอมพิวเตอร์นะการแข่งขันคืออะไรแข่งความเร็วนะกีฬาเหมือนกันเราแข่งร้อยเมตรเคยมีไหมมาแข่งว่าใครถึงช้าก่อนชนะ ไม่มีทุกอย่างเอาความเร็วเป็นตัวชนะนะโทรศัพท์มือถือก็ตีจีสองจีสาจีจีหแล้วมันไม่มีปรรยุตัวนี้มันจะเร็วกว่านี้มันเหมือนดีมันเหมือนมีประโยชน์นะแต่แทแ้แงในชีวิตเราเนี่ยมันบั่นทอนชีวิตเรามากยี่สิบหปีก่อนพ่อครูมาจากเมกาใหม่ๆเคยไปเบิกเงินที่ธนาคารที่อุบล พ่อครูเบิกไม่ได้ผู้จัด ก, การเขาก็มานั่งคุยกับพ่อครูตอนนั้นเขากําลังเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เขาเหอมากนพ่อครูก็แต่งตัวแบบนั้นพ่อครูเคยแต่งนี่แหละก็เข้าไปผู้จัดการก็มองโดยสายตาที่เหมือนว่าพ่อครูเนี่ยคือเขาถามพ่อครูคิดอย่างไรบอกว่าพ่อครูไม่ได้คิดถ้าเลือกได้ไม่อยากให้มนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ เขาแสดงสายตาซึ่งแบบขัดแย้งแล้วก็รับไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็บอกยุคนี้เนี่ยไม่ใช้ได้อย่างไงเขาบอกทําไมพ่อครูมีความคิดแบบนี้นะพ่อครูบอกพ่อครูสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยมือพ่อครูเองขายไปทั่วโลกมันมีประโยชน์มากแต่มันมีโทษมหาศาลแกบอกแกเห็นเรื่องประโยชน์แกบอกโทษมีอะไรบ้าง พเพราะครูก็ถามผู้จัด ก, การว่าเวลานี้ผมเบิก เ, เงินไม่ได้เพราะอะไรเพราะคอมพิวเตอร์คุณดาวเป็นง่อยหมดสมัยก่อนไฟดับเลยก็เบิกเงินได้นะเขาดูไฟไหมทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ดับเนี่ยเป็นง่อยหมดเห็นแต่ไม่เห็นแต่ยุคนี้เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องใช้ แล้วก็พัฒนามาเดืยทั้งด้านเรื่องเทคโนโลยีทั้งด้านเรื่องวัตถุนะพวกโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยแข่งกันหลายหลายค่ายนะพวกกูก็เห็นโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรูพวกกูสมัยก่อนไปรัสเวกัสบ่อยนะไปผ่อนคลายอารมณ์ไปเล่นการพ น, นันไปฟังเพลงไปกินเหล้าไปเต้นรำ มันเหมือนลัสเวกัสโลกนี้เหมือ น, น, น, น, นเหมือนเหมือนเหมือนบอนการพนันนะมีบริษัทใหญ่ๆเขาเรียกว่า G7 เจทุกวันนี้จะเปิด G8 G9 จเก้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ็ดแปดคนนี้เขาแข่งกันเขาก็เปิดบ่อนต่างคนต่างเปิดเปิดบ่อนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างมาแข่งกันว่าใครเร็วกว่ากันแล้วก็ใช้เทคนิคในการโฆษณาชวนเชื่อนะ ดึงกุ้งหอยปูปลาเข้ามาเล่นในบ่อนเขานะพระครูก็ไปเล่นกับเขานะแต่พระครูไม่ติดการพ น, นันพระครูเล่นจริงๆเล่นแบบสนุกสนานแล้วพระครูไม่เคยเสียเงินให้ให้บอนการพ น, นันเลยนะพระครูก็ ก็เล่นกับเขาเขาเล่นเกมนะ่ะคือคือเราหอบเงินสดไปเนี่ยเ <c oughs> ท่าไหร่ก็ช่างเนี่ยเขาไม่ให้เราเล่นเขาบีบให้เราต้องไปเปลี่ยนเป็นชิปของเขาก่อนไปในเกมเขาพอเปลี่ยนชิปปุ๊บชิปของเขาเต็มกวัวดังเลยเราจะมีเท่าไหร่เราจะชะนะมันได้มันต้อนเรานะนี่คือทุนนิยมนะนะเขาก็กินหมดเลยคือคือคนไปเล่นเสียเปรียบอยู่แล้ว ใช่เล yep. ่นพอได้พวกก็ทิปทิพทิพนะนะเล่นแล้วก็ได้ทิปทิพทกกพอคูไปดูเกมเขาแล้วเนี่ยพวกกูว่าโอใครเขาใครเขาไปมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะทุนเขาเยอะกว่าเราทุนเขาไม่ชิพนี่เาเขาจะมีเต็มโกดังเลยเราเล่นหมดก็คือหมดเขาไม่มีวันหมด ทีนี้บังเอิญว่าเราไม่ได้ติดการบพนันแต่พอกูชอบชอบศึกษาว่ามันเล่นเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงยังไงพอกูก็เล่นกับคอมพิวเตอร์พอกูเล่นมันคกูหลอกคอมพิวเตอร์ได้หมดอ่ะมันไม่ได้เก่งนะเราป้อนข้อมูลผิดมันก็ตอบผิดมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายตั้งแต่ยังไม่ไปอเมริกาเนี่ยพอกูค้าขายที่กรุงเทพนะเพื่อนที่สำเพ็งอะไรอะไรเลยนะชวนไปรัสเวียการมีบริษัทหนึ่งเขามาต้อนคนไทยไปเล่น ถ้าตอนนั้นน่ะใครไปเที่ยวรัสเวยีย ก, กับเขาเนี่ยเรามีเงินสองแสนบาทในยุคนั้นนะนะเปลี่ยนเป็นชิปเขาเราเดินทางฟรีเลยนะพ่อครูก็ไปกับเพื่อนสามคนคือชิป น, นี้เนี่ยไปแลกเป็นเงินไม่ได้เป็นชิป พ, พิเศษคุณต้องผ่านการเล่นก่อนใช่ไหม ทีนี้เราต้องการไปเที่ยวเฉยๆว่าทำไงเราจะเที่ยวฟรีใช่เพื่อนคนหนึ่งก็ไปยืนแทงต่ำเราก็แทงสูงมันก็กินคนหนึ่งมันก็จ่ายคนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนชิปไม่กี่ครั้งปุ๊บเราก็ได้ชิปที่เราไปแลกเป็นเงินได้เราเที่ยวฟรีนะสมัยก่อนพกูค้าขายไต้หวันพกูบินจากกรุงเทพไปไต้หวันเวลากลับปุ๊บต้องแวะฮ่องกงไปหมาเกา เที่ยวนี้ใช้ไปสองพันเหรียญ น, นะเดินไปหมาเกาปุ๊บแทงสูงสองพันเหรียญพอมันออกสูงปุ๊บพรอะกูก็เดินหนีได้ได้ทุนคืนละแต่ถ้ามันกินปุ๊บใส่เขาไปสี่พันเหรียญแต่ต้องเราดูจัหยุดนะถ้าเราโลภมากว่าไรมีเท่าไหร่ก็หมดเน่เล่นต้องเล่นให้มันเป็นแต่ตอนนี้เล่นให้มันตายนะเพราะ พอได้พุบพิดวงดีหลใสเข้าไปเลยพอเสียปุ๊บต้องแก้ตัวทุกคนหมดตัวเพราะสิ่งนี้นะเพราะทุกคนมีกิเลสไงความอยากของคนแต่พรากูแปลกนะพราครูก็มีกิเลสนะแต่อะไรหรอเพราะกูกินเหล้าแต่พราะกูไม่ติดเหล้าเวลาไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยลูกน้องขับรถไปขากลับพ่อกูต้องขับหมดอ่ะมันเมามันไม่ไหวนะ คือคือเราแรงมากเหมือนการบันันหลอกพ่อครูไม่ได้คือเรามีความอยากอยู่แต่ไม่อยากจนถึงขนาดว่าไปไปหลงมัวเมามันนะบอลพวกนี้ไม่เคยได้เงินพ่อครูหรอกแต่พ่อครูไม่เคยไปโลคมากที่จะห่วงเขาเยอะๆนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าขบวนการอย่างนี้แล้วทีนี้โลกใบนี้เนี่ยมันเหมือน ที่ว่าจีเจเนี่ยเหมือนบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เปิดบ่อนแล้วต่างคนต่างโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนมาเล่นกุ้งหอยปูปลามาเล่นแล้วสุดท้ายมันก็กินหมดเขากินหมดแล้วเนี่ยเขาก็กลัวแพ้ประเทศที่แข่งกันเองเนี่ยเขาก็ไปทุ่มเทสร้างบอลเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเหมือนตอนนี้ปลาในเขื่อนเราปลาสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็ก ถ้าปลาใหญ่มันบ้าข้างมันกินแบกไม้บรรยะบัญยังปลาน้อยในเขื่อนเนี่ยมันศูนพันปลาใหญ่ก็ตายปัจจุบันนี้โลกกำลังจะถึงวิกฤตตรงนั้นเห็นไหมเรากินจนประเทศเล็กๆ ล, ล, ล่มสลายเฮ้ยล่มไม่ได้เดี๋ยวเธอจะไม่มีเครดิตเขาก็ตั้งไอ f ตั้งอะไรตั้งเบอร์แบงอะไรมาเนี่ยนะฉันจะให้เธอกู้แล้วเธอต้องมีหน้าที่ไปจ่ายเจ้านี่นะเดี๋ยวเธอจะเสียเครดิตห้ามไปทาอย่างอื่น แล้วก็ต้องลัดเข็มขัดด้วยแล้วก็ทรัพยากรของเราไปแลกนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นช่วงๆทีนี้เราล้างผ่านทรัพยากรของโลกจนมันจะหมดแล้วปลาใหญ่ก็กำลังจะตายมนุษย์เราตั้งเกมหลอกตัวเองทีนี้ความขัดแยง้งเกิดขึ้นเพราะเราแข่งขันเสียดีกัเราต้องการชนะไม่มีใครต้องการแพ้ เหมือนเราเป็นนักมวยนะไอคนที่ชนะถูกยกมือขึ้นก็แทบตายเหมือนกันแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บมนุษย์เราเล่นเกมผิดแล้วเราล้างผ่านจนโลกใบนี้จะไม่เหลืออะไรเกิดมนภาวะตอนนี้ปัญหาโลกปัญหาอะไรไมมันมันหน้าอะไรนะถ้าเรามีใจบอกหน้าเศร้าใจเออทำไมมนุษย์เราต้องสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะ เรื่องที่ต่ำที่สุดที่เราเราคิดว่าเป็นเศษส่วนเกินที่เราไม่ต้องการเราทิ้งทุกวันนะคือขยะต้องกลายเป็นนโยบายแห่งชาติหลายประเทศขยะที่ถามว่าลิงหรือไก่ทําให้มันเกิดขึ้นมนุษย์แล้วขยะสารพิษด้วยขยะพลาสติกด้วย กลายเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกเมืองใหญ่ขยะสารเคมีขยะเ้าเรียกว่าอิเล็กทรอนิกขยะที่เป็นพิษนะขนไปส่งที่ประเทศด้อยพัฒนาแล้วก็เอาไปฝังกบหรือเอาไปทิ้งเลยเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยนะโลกใบนี้เนี่ยมันลิงก์ถึงกันหมดอะโครคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้น เราก็มาผลิตวัคซีนป้อง ก, กันโรคพะครูชี้ให้ดูโครงสร้างใหญ่ของโลกใบนี้ก่อนและทีนี้ทางการเมืองเนื่อจากทุกคนต้องการเป็นใหญ่มีอำนาจนะก็มีการแข่งขันเหมือนกันประเทศใหญ่เขาประกาศเสรีเขายึดถือลัทธิเสรีนิยมตอนนั้นก็ต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิเผด็จการคือคนเรามันเชื่อไม่เหมือนกัน มันใช้เทคนิคในการบริหารไม่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้รัฐที่เสรีเนื่องจากเขาใช้เทคโนโลยีข่าวสารไร้พรมแดนเนี่ยเาก็ไป ก, ไปกืนไปกืนไปกืนจะเป็นรัฐที่อื่นเนี่ก็ต้องค่อยๆขายขายขายข า, ายไม่ลายก็ไม่ได้ก็เอาเปินว่าแยกเป็นใหญ่ๆก็คือสองรัฐที่ใหญ่ๆคือหนึ่งเสรีนิยมอีกรัฐทีหนึ่งคือ อนุรักษ์นิยมมันเป็นสัญชาตญาณของทุกเผ่าพันธุ์ทุกคนก็ต้องการอนุรักษ์ความเคยชินของตัวเองใช่ไหมทีนี้มันก็ขัดแยง้งทั่วโลกนะตอนนี้ทั่วโลกไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะเราเรียนหนังสือเราคิดอะไรแบบวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วนจำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่ง แยะก็ยิ่งสับสนตอนนี้ยุ่งไปหมดทั้งโลกยุ่งไปหมดทุกสังคมเพราะทุกคนเชื่อไม่เหมือนกันทุกคนชอบไม่เหมือนกันและความคิดแบบนี้เนี่ยมันพัฒนาไปสู่ล่างมนุษย์เข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณมนุษย์เข้าไปในครัวเรือนในครัวเรือนเองก็แยกเป็นสองฝักสองฝ่ายมันเป็น เขาเรียกว่าคุณสมบัติตามธรรมชาติหรือหรือสัญชาตญาณเดิมเราเนี่ยถูกไอ้คลื่นตัวนี้มันครอบงำหมดนะจนจับต้นชนปลายไม่ถูกทําไม พ, พ่อคูถึงเกิดเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะดึงมาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมที่พ่อคูพูดไปทั้งหมดนี่ไม่มีแม้แต่หนึ่งเรื่องไม่ใช่ธรรมะเราไปเข้าใจว่าไปฟังเทศฟังธรรมคือพูดถึงเรื่องวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องบาลีเรื่องอะไรไม่ใช่ ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาเหิมาลัยความจริงในยุคนี้เราทุกข์เพราะอะไรพอครูจะเอาความจริงในยุคนี้เนี่ยมาชี้ให้ทุกคนเห็นว่าเราทุกข์เพราะอะไรอย่าไปพูดเรื่องวิชาการทางศาสนาอย่าพูดถึงเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาล สมัยก่อนนี้อย่าว่า G CG สอง G G สอง G สาม G สี่เลย G หนึ่งมันก็ไม่มีนะเขาบริสุทธิกว่ายุคนี้ยี่บห้าปีที่พ่อครูหยุดชีวิตมาอยู่ที่นี่ตอนระเบิดยี่บห้าปีก่อนเนี่ยที่เหมือนพ่อครูเห็นแสงสว่าง พวกครูเห็นยาวิเศษเม็ดหนึ่งรักษาทุกโรคธรรมโอสถของพทะเจ้าแล้วทำไมพ่อครูถึงทิ้งไว้เฉยๆยี่สิบปีไม่เอาออกมาใชา้หลายคนถามพ่อครูเสียดายมากเลยยี่สิปีพรอครูไม่เคลื่อนไหวพวกพ่ครูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งสังเกตไหม สินค้าทุกวันนี้โดยเฉพาะสินค้าหลายประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันอาหารเขาเนี่ยจานเล็กๆ เ, เองถ้าคิดถึงต้นทุนวัสดุวัตถุดิบนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่การปรุงแต่งปะหน้าเสริมหน้าและบรรจุพัน์บางสินค้าตรงนี้นะไอตัวสินค้าเองราคาสิบบาทแต่ตัวบรรจุพัณฑ์ห้าสิบาท คนยุคนี้เนี่ยถ้าบรรจุภัธุ์ไม่สวยหรือไม่น่าเชื่อถือนะเขาไม่ซื้อยาวิเศษเม็ดนี้ที่พ่อ ก, กูไปค้นพบเนี่ยมันก็เหมือนกันยาวิเศษนะกินนะยิ่งให้ฟรีเลยก็ยิ่งไม่เอากลัวยาพิษเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราเจอ มันเป็นความคิดที่คนยุคนี้พัฒนาแบบแยกส่วนเป็นวัตถุนิยมและวิทยาศาสตร์เราก็ไปค้นคว้าวิจัยแต่เรื่องอัตตนิยมเป็นอัตตนิยมเอาแค่เรื่องรูปธรรมเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสังคมวัตถุนิยมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหลักการคือต้องช่างตวงวัดได้เอาความรู้สึกไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไหมไม่ไม่ได้เสียหายแต่มันเสียโอกาสมันเสียโอกาสในการเข้าถึงความจริงอีกลหลายเรื่องเพราะความจริงในลหลายเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องนามธรรมาเนี่ยมันช่างตวงวัดไม่ได้ อย่างเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกสุขเราเนี่สุขทุกข์อะไรเนี่ยมันช่างตวงวัดไม่ได้ก็พรครูคุยกับผู้รู้ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเราเรียนมิติเดียวถ้าในแง่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเราเรียนมิติเดียวคือเรื่องกายเรื่องฟกบายเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องร่างกายอย่างเดียวแม้กระทั่งเวทนาเนี่ย แล้วก็ไม่มียารักษามันนะมีอยู่ยังเกิดความรู้สึกเจ็บใช่ไหมมันรู้สึกเจ็บคือเวทนาก็กินยาแก้ปวดเป็นระงับมันคือคือระ ง, งับประสาทไม่ให้มันรับรู้เรื่องปวดนะเราแก้ที่ปลายเหตุแล้วพอฤิ์ยามันหมดแล้วเนี่ยมันก็ปวดอีกแล้วก็ต้องพึ่งยาพึ่งยาพึ่งยาโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยนะต้องกินยาตลอดชีวิต ถ้าพระครูไม่ได้มาทางนี้ไม่มีกรรมฐานนะพระครูก็คงเดินขบวนนะี่ไม่รู้ต้องต้องกินยากี่ชนิดนะนี่หละคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเวลาเราไปวิจัยไปแก้ที่เรื่องกายภาพทีนี้มิติเดียวแต่พระเจ้าเปตัดสรู้ว่าในตัวเราเนี่ยมีสี่มิติมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรม ถ้าเราเก่งที่สุดเนี่ยวิทยาศาสตร์เก่งที่สุดเนี่ยเท่ากับไอสไตน์ซะนะเราก็รู้แค่ยี่้าปซแต่เราละเลยอีก็สิบ้าอร์เซแล้วเราจะบริาหารชีวิตเราเนี่ยให้มันสงบสุขได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอัตตนิยมถ้าไปคิดถึงเรื่องการเมืองเรื่องเรื่องการบริหารสังคมทุกวันนี้นะ ก็เป็นพวกอะไรล่ะเสรีนิยมคือเอาเอากายอย่างเดียวนะอวัตถุอย่างเดียวนะแต่ทีนี้พวกที่สุดโตง่งคิดแบบสุดโต่งเหมือนกันเข้าป่าฉันเอาจิตอย่างเดียวกายเป็นจิตนิยมในแง่ร่างกายเราเนี่ย ก็แยกขั้วเลยคนนี้อัตตนิยมเอาแต่เรื่องร่างกายคนนี้ไปทรมานร่างกายเพื่อเอาจิตพผู้เจ้าก็ลองมาเลยนะลองมาแล้วมันคิดแบบสุดตรงแบบแยกขั้วตอนนี้ทะเลาะบ่อแวงกันเพราะว่าทุกคนมีธงของตัวเองเลยคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันยิ่งคุยยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลมันเป็นความเชื่อ ความชอบที่แตกต่างกันทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงทั้งโลกเป็นอย่างหมดเห็นไหมทุกประเทศมีปัญหาหมดมีปัญหาหมดทะเลาะบ่แว้งกันพ้อเถียงกันว่าแบบนี้ดีคนนี้ก็บอกแบบนี้ดีนะนี่แหละทั้งสองส่วนนี้เนี่ยผู้เจ้าไปตัดส루วามาว่ามันสุดตรงผู้เจ้าถึงสอนเราว่า เดินทางสายกลางสายกลางคืออะไรเหมือนอย่างนี้พกครูเจอวาวิเศษแล้วยาวิเศษนี้เปรียบสเสมือนจิตแต่ถ้าไม่มีเบ ร, บรจุพันธ์ที่คนรุ่นใหม่เขายอมรับแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งเป็นขยะเราปฏิเสธสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้ ถึงมันจะเป็นสิ่งปรุงแต่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ช่างแต่มันเป็นความจริงซึ่งเกิดจากสมมุติมันมีมันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์แล้วเราจะไปอนุรักษ์อยู่แล้วเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับคนพวกนี้พวกพิชชีวิตเขาต้องอยู่กับสิ่งนี้เขาขาดไม่ได้แต่ถ้าเราไปเอาสิ่งนั้นจนเราลืมชีวิตเราลืมจิตวิญญาณเราก็ได้ความมั่งคั่งล่ำรวยแล้วเราก็เครียดเราก็มารักษามาเลง ตอนนี้มันยื้อกดอย่างนี้นะเพราะครูว่าที่ผ่านมารออะไรไม่ได้ตั้งใจรอด้วยเพราะมันยังไม่ถึงเวลาไม่คิดด้วยไม่อะไรด้วยมันก็อยู่นิ่งๆยี่สิบปีนิ่งๆมาดูอะไรดูผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาให้พรอครูามานั่งดูทั้งๆา ท, ท, ที่ไม่อยากรู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรสงสัยแต่เขาต้องมานั่งทำหน้าที่ดูดูเมื่อหปีก่อนถึงบอก อ๋อเข้าใจละรู้ละทำไมต้องมานั่งอยู่ที่นี่หลังจากจิตบอกว่าถึงเวลาออกไปข้างนอกเขาให้พ่อครูมานั่งดูอะไรดูคำว่านาน า, น า, นานจิตตังเห็นไหมไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งถ้าวิทยาศาสตร์เข้าถึงตรงนี้เราจะไม่แข็งกระด้าง พวกนักการเมืองหรือนักบริหารอะไรต่างๆเนี่ยที่เรียนแบบหลักวิทยาศาสตร์คือว่าจําแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลนะยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแ ย, ง ย, ง ย, ง ย, งยกก็ยิ่งสับสน ต, ตอนนี้ถามอาชีพสังเกตไหมที่พวกครูถามฝรั่งหรือว่าถามคนต่างชาติว่าหูอายุนะส่วนมากจะตอบว่าตำแหน่งฉันคืออะไรแล้วก็ชื่อฉันชื่อว่าอะไร ใช่ไหม My name is หรือว่า I am the director of อะไรก็ว่ากันไปพูดเรื่องตำแหน่งพากคุณบอกไม่ต้องการรู้ตำแหน่งไม่ต้องการรู้ชื่อถามว่าคุณเป็นใครไม่มีใครตอบได้เลยตอบแต่ว่าฉันชื่ออย่างนี้ตำแหน่งอย่างนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรว่าวิถีชีวิตรเราถูกดึงมาว่าทุกคนต้องสูกสร้างอั ต, ตาก่อนเธอต้องมีชื่อ และเธอต้องยึดมั่นถือมันในชื่อนั้นเธอต้องรักษาชื่อเสียงของเธอทุกคนก็ทุกข์เพราะาต้องการรักษาชื่อเสียงนี้เป็นอัตตาแล้วนะแล้วก็ทุกคนต้องรักษาตําแหน่งหน้าที่ตัวเองเพื่อเหนือกว่าคนอื่นเพื่อกวานก้าวหน้าเห็นไหมยังบางเทศบางประเทศเขาเจอกันยังยังคนปากใต้เราเนี่ยนะเขาเคยพูด ก, กันว่ารถไฟสองขบวนนี่สวนทางกันเลย ภาษาภาคอื่นถามกันไม่ทันนะแต่คนปากใต้ถามกันทันนก๊กคนถามว่านก๊กเธอจะไปไหนเหลอบอกบางกอกก๊กนก๊กบางคนเขาทักทายกันอย่างนี้พรังบอกฮาวายู่ใช่ไหมคุณสบายดีไหมคนลาวเหมือนกันสบายดีคนจีนเรา กินข้าวหรื อ, อยังทำไมเขาถามว่าเจะหอบวยเรืออะไรทำไมคนจินเ้าถามนี่ตอนนั้นเ้ายากจนมากเรื่องสําคัญคือเรื่องกินอดอดอ ย, ยากๆเลยเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมอันนี้คือเราปลูกฝังไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้สิ่งที่เหมือนๆกันทั้งโลกเลยก็คืออะไรเนีย่ยถามว่าหัวอยู่ตอบตำแหน่งหน้าที่อาชีพที่จะสร้างอนาคต เราเลยไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครใไหแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วให้ทำยังไงถ้าฟังคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่มีล้าสมัยแก้ได้ง่ายๆนะที่พ่อคูบอกว่าน้ำแก้วหนึ่งเอาทรายลงไปก็อยู่ข้างล่างเอาน้ำมันลงไปก็ลอยอยู่ข้างบนไอ้นี่พูดบ่อยๆยังพูดบ่อยๆก็ยังไม่เข้าใจกันเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลางเห็นไหม สมมติว่าสามอย่างนี้เนี่ยเป็นสามไอเดียคนนี้ชอบเสรีนิยมคนนี้ชอบอนุรักษ์นิยมคนนี้ชอบเผด็จการก็ช่างก็ยอยู่ด้วยกันได้อย่ายไปเถกกันว่าคนไหนดีกว่ากันทีนี้สิ่งที่ไปเกิดขึ้นทางสายการก็คือว่าของใหม่เป็นอย่างนี้ของเก่าเป็นอย่างนี้อันนี้ของใหม่ก็จะเอาของใหม่อย่างเดียวจะทิ้งของเก่าเลยอันนี้ก็ไม่ยอมรับของใหม่จะอนุรักษ์ของเก่าเพราะกลัวมากลกลัวจะสูญพันธ์ สุดตรงทั้งนั้นแหละผู้เจ้าตัดไว้ว่าบังพชิตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างของคู่ระหว่างถูกกับผิดดีกับชั่วระหว่างข้างนอกกับข้างในอย่างของเราปฏิบัตินะได้ยินเสียงที่หูหูนี้เนี่ยอวยตนะภายในเรามันแบ่งเป็นสองขั้วข้างนอกตาหูจมูกดิ้นกายข้างในคือใจ ตอนนี้จิตเราไปสุดตรงที่ใจมันไปสุกใจสุกใจมันถูกใจดึงไว้มันสุดตรงที่ใจเราต้องการปลดปล่อยเขาเราก็เอาเสียงมาล่อเขาธรรมชาติกังปุ๊บนะมันก็ไปรับรู้วิญญาณหูโสตวิญญาณรับรู้เสียงมันก็ส่งมาให้มนุษย์หัวใจเต้นปุ๊บมันดึงกลับมาเลยนะมันหวงจิตมากมันดึงกลับมารับรู้ถ้าเราไม่ทันปุ๊บมันจะเกิดเวทนาทันที เสียงด่าเสียงที่เขาด่าเราคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับแต่สติเราไม่ทันพอรูปเกิดปั้งปึ๊บมันส่งเร็วมากกระทบใจปึ๊บเวทนาเกิดนะแล้วก็บันทึกสัญญาใหม่ว่ามันด่าเราไอ้สัญญาใหม่กระทบสัญญาเก่าบอกว่าไม่ชอบถูกด่ามันสปาร์กเลยมันสปาร์กเลย ความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นทีนี้สังขารเกิดมันคิดแหละคิดทันทีเลยว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปุ่งเรียบร้อยเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่วิญญาณ น, นักสู้เกิดขึ้นด่าไปเลยสร้างวัจีกรบนี่คือขบวนการของมันทีนี้ผู้เจ้าไปตัดสัตทางสายกลางทางสายกลาง นะคือหูได้ยินปุ๊บก็สัตว์แต่วรู้เหมือนในหูเนี่ยมิสเตอร์หูเขาเป็นเพื่อนเราเราคือจิตมิสเตอร์ใจก็เป็นเพื่อนเสด็จเลยอยู่ด้ยวยกันตั้งแต่กเกิดเราหลงใจมากบางเอิยในหูนี่มันเอาเพลงมาล่อเราเพลงเพราะๆมาฟังนี่มาฟังในในจิตมาฟังใช่ไหมพอมาถึงหูปุ๊บถ้าในจิตมันมีสติ เราไม่เข้าข้างในหูแต่เราบอกว่าอย่าทะเลาะกันเธอก็เพื่อนไอ้ใจมันดึงกลับมาคืนเลยว่าเธออยู่กับฉันตลอดชีวิตสุขใจมากๆเลยไอ้ในหูมันไม่ดีมาอยู่กับฉันมันดึงกลับมาปุ๊บตอนนี้เรามีสติเราก็ไม่เข้าข้างในใจระวางตัวเป็นกลางบอกอย่าทะเลาะกันในหูก็ดึงไปในใจก็ดึงมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเกิดแรงวนขึ้น เหมือนเอาสองนิ้วนี่หมุนปุ๊บลูกข่างก็หมุนขึ้นพอหมุนไปหมุนมามันหมุนเร็วๆปุ๊บเนี่ยจิตพลังหมุนมันมากกว่าแรงดึงของหูกับใจมันก็ได้หลุดพ้นเข้าไปในจิตในจิตเพราะมันวางตัวเป็นกลางทางพ้นทุกข์มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเดินทางสายกลางทีนี้ชีวิตข้างนอกมันเกิดเหตุแบบนี้มันมีสองขั้วระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมทั่วโลก เพราะครูไม่ได้หมายถึงเมืองไทยทั่วโลกไอ้ปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ยังไงเห็นั้มอินเดียแดงเขาเป็นเจ้าเจ้าของประเทศสหรัฐไหมก่อนมันไมช่ชื่อว่าสหรัฐตอนมีชนกลุ่มหนึงน่งเนี่เข้าไปเบียดเบียนเขาฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่าเป็นก้อยขึ้นมาต่างคนต่างตายเขาก็เลยมานั่งคุยกัน ความพอดีเขาอยู่ที่ไหนประชาธิปไตยแบบของเขาก็เกิดขึ้นเลือกตั้งแต่เนื่องจากว่าคนอินเดียแดงเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นให้สิทธิพิเศษคือไม่ต้องเสียภาษีเขาก็มาตกลงกันว่าความพอดีเขาอยู่ที่ไหนแต่บังเอิญตอนนี้ทํำไมทํามาเขาก็ไปสุดโต่งเรื่องเสรีแล้วไปกดดันให้ทุกๆประเทศต้ตองเสรีเหมือนเขามันก็ไปยึดหลอนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ความเคยชินเขาเห็นไหม ตอนนี้กลายเป็นว่าอ้างเสรีก็มั่วเผาพันกันไปนหมดเลยทั้งโลกไอการมั่วเผาพันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันเปลี่ยนเซลล์เราเกิดมาเป็นคนผิวขาวเกิดมาเป็นคนผิวเหลืองเกิดเป็นคนผิวดำอะไรเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆนะมันมีเหตุของมันอยู่มันเป็นไปตามกระแสกรรมง ทำไมผู้หญิงมีฮอโมนอย่างหนึ่งผู้ชายมีฮอโมนอย่างหนึ่งเห็นไหมแต่ตอนนี้เมื่อเรามั่วเผ่าพัานแล้วเนี่ยเห็นไมไอเชื้อโรคที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เพี้ยนไปมันเพี้ยนหมดเมื่อภูมิคุ้มกันตกต่ำแล้วก็ไอเชื้อโรคเนี่ยเนื่องจากว่าสารเคมีสารพิษอะไรอะไรแล้วมันก็พัฒนาตัวมันเองมันก็แรงขึ้น แล้วก็ใช้ยาที่แรงขึ้นไปทำลายมันทำลายตายที่ตายตายไปไอ้ที่ไม่ตายพผมก็พัฒนาแข็งแกร่งขึ้นอีกทีหนึ่งเหมือนยาฉีดยาฆ่ า, มาแมลงทั้งต่างๆอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราก็ต้องรับผลตรงนั้นเพราะทั้งหมดคือเราปลูกฝังความอยากจนเกินไปจนมันไม่พอดีมันถึงมีเรื่องมีราวกันไม่จบหรอก้ร แ, แก้เรื่องนี้ก็ผเรื่องนี้ก็เื่งนี้ก็ผูเรื่องนี้ เอาแค่ขยะที่เป็นผลงานของมนุษย์เราตอนนี้ยังแก้กันไม่จบเลยเห็นไหมเราสร้างปัญหาให้เราเองนะพรอครูชี้งกวง้กวางๆให้รู้ว่าพวกเรายังอยู่ในสังคมนี้เราจะทำอย่างไรเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้เปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้มหาความพอดีของเราก็อยู่กับไอสังคมแบบนี้ให้มันได้ แต่อยู่อย่าอยู่ให้มันเสียนะถ้าอยู่แล้วมันทุกข์นี่ถือว่าเราเสียชีวิตอยู่ให้มันได้อย่างน้อยเราไม่พ้นทุกข์ก็ให้มันสุขก่อนทีนี้ถ้าเราจะสุขไม่เป็นเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกคนที่จะมัวจะอนุรักษ์อยู่อนุรักษ์อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยคุณก็อนุรักษ์ไปอยู่ไอ้พวกที่หลงไปตามเสรีเสรีเลยโดยทิ้งา ง, งากระเงนั้นตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องทุกข์เพราะคุณสุดตรง เราในขึ้นชื่อว่าเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเราต้องฉลาดใช้หลักทางสายกลางคือความพอดีทีนี้ความพอดีของแต่ละท่านเนี่ยโอ้เราเจอสูตรพอดีแล้วทุกคนทำตามฉันเหรออันนี้ก็ไม่ใช่ความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเห็นไมกำลังสมองกำลังทรัพย์กำลังร่างกายเราก็ไม่เหมือนกันเห็นไม แต่เราคนต้องมีสติมีปัญญารู้ว่าความพอดีของเราอยู่ที่ไหนที่คนโบราณก็บอกว่าช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปวัดกันเห็นไมเรามีข้าวอยู่หกชามบังเอิญมีเด็กสามคนในกอในขอในงอในกอมันกินชามหนึ่งอิ่มพอดีเพราะมันตัวเล็ก ในขอกินสองชามอิ่มพอดีแต่ไงงอมันตัวอ้วนมากมันใหญ่มากมันต้องกินสามชามอิ่มพอดีแต่ทีนี้ไอ้ลัทธิที่ว่าต้องเท่าเทียมกันเสมอภาคกันมันบอกว่าไม่ได้เสียเปรียบคุณต้องหารสามได้คนละสองชามไอ้ในกอมันกินไม่หมดเธอต้องกินหมดเด็กดีต้องกินหมดข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า ก, กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่า ชาวนาเหนื่อยากลำบากนักหนาสงสารบรรดาคนยากคนจนมันทุกข์มากเลยมันต้องยัดเข้าไปมีในขอพอดีเลยมีในขอมีความสุขคนเดียวในงอสองชามมันไม่อิ่มมันนอนไม่หลับความคิดแบบนี้ถูกต้องไหมไอ้ที่ว่าสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเสมอภาคกันแล้วเขียนกฎหมายมันเป็นทฤษฎี กฎหมายเท่าเทียมกันขนาดว่าคนเรียนกฎหมายจบปริญญาเอกมาพร้อมกันมันยังตีความกฎหมายไม่เหมือนกันอย่าว่าแต่คนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายเลยที่มันไม่รู้เรื่องกฎหมายมันก็พลาดโอกาสในการใช้กฎหมายตอนนี้ยุคอย่างนี้มันเป็นแบบนี้มาถึงสับสนวุ่นวายเอาเป็นว่าพ่อครูชี้กว้างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองและก็เรื่องยาวิเศษของพ่อคูเนี่ยแหละนะ ก็ให้จบที่ว่าถ้าคนฉลาดต้องยึดหลักทางสายกลางไม่ปฏิเสธของใหม่แต่ก็ไม่ทิ้งของเก่าเราต้องรักษาลากเงาเราไว้แต่ตอนนี้ลูกหลานเราในมือแข็งหมดเลยมันไหวไม่เป็นอุบายวิธีในการไหว้นี่มันเป็นอุบายวิธีทำให้เราลดตัวตนนอบน้อมถ่อมตนแต่เราหลงความรู้เนี่ย พ่อครูเคยไปเผลอไปเล่นการเมืองกับเขานะไม่ได้นั่งพูดอย่างนี้นะยืนพูดยืนพูดเราหลงตัวเองเลยนะใสอารมณ์นะแต่คนโบราณเราเนี่นั่งอย่างนี้จับเข่าคุยกันผู้เจ้านั่งอย่างนี้ไงมารมันมาหลอกล่อพ่อคูก็กดไว้เนีเห็นไหมปางปราบมารปางพยา ม, มาเ น, นั่งกดไว้คือเตือนสติเนี่ยเรียกว่าจับเข่าคุยกัน พออารมณ์ขึ้นปุ๊บกดไว้เตือนสติแต่พอพูดปุ๊บนี่มีแต่อารมณ์เนวัฒนธรรมแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันเราประเทศเล็กๆก็ช่างแต่วัฒนธรรมเราเนี่มันมีประวัติศาสตร์เป็นหลายๆเป็นพันปีเราพัฒนาจากประสบการณ์ของเราขึ้นมาจนถึงวันนี้แต่อยู่ๆปุ๊บเราจะทิ้งมันตู้มิ่งไปตามเขาเลยเนี่ยเรากินข้าวมาตลอดชีวิตอยู่ๆไปเรียนเมืองนอกไม่กี่ปีว่าไปติดนมปังแล้ว คุณแม่ทำข้าวไว้ไม่กินขนมปังขนมปังสังว่ากินขนมปังทุกวันเนี่ยอร่อยจริงๆเหรอเห็นไหมเขาถามว่าคนไทยเราก็เหมือนกันคนจีนบอกกินข้าวหรื อ, อยังทําไมเราไม่ถามว่ากินอาหารหรื อ, อยังบางทีวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะกินบะหมี่มาม่าบอกว่ากินแล้ว คุณไม่ได้กินข้าวสักหน่อยหนึ่งคุณกินมามากนี่ไม่คือว่าเราเราคุ้นเคยกับข้าวไงแต่ตอนนี้เราอยู่ยเราเปลี่ยนชีวิตเราปุ๊บเราไปเหอ่อนนมปังเลยอย่างนี้นะบ้านพ่อครูนี่มีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะอาม่านี่ยิ่งใหญ่มากแม่พ่อครูนะลูกห้าคนทั้งลูกเขยลูกสะใภ้อะไรอะไรเนี่ยคนละชาติหมดอาม่างง อ น, นี่มันจะเอาเข้าวเหนียวนี่มันจะเอาเข้าวเจ้านี่มันจะเอาเข้าวต้มวันนี้มันจะเอาหนมปังอ้า ม, มางงแทนที่จะเอาเวลาตัวนี้มาปฏิบัติทำให้มันก้าวหน้าเอาเวลานี้ต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วเขาเข้าได้ด้วยไม่เข้าไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นความชอบไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เหตุผลมีชาวต่างชาติคนหนึ่งท่านเป็นชาวฝรั่งเศส ท่านบวชในพุทธศาสนาท่านไปอยู่พม่าหลายปีพอท่านยินยิงข่าวที่นี่ท่านมาหาพ่อครูที่นี่มาแค่สองสามวันนะทีนี้ตั้งใจจะจำบัญษาที่นี่เลยพ่อครูก็พาเดินอยู่ในป่าแล้วก็แลกเปลี่ยนกันออท่านก็ถามว่าพ่อครูข้างบนนี้มีชีวิตไหมพ่อครูบอกมันเป็นเอเนจีมันมีพลังรนะบบกายวิญญาณ ท่านท่านไม่ขอท่านบอกท่านเชื่อว่ามีชีวิตถูกแล้วมันมีในในในอากาศน่ยมันมีในออกซิเจ น, นเป็นแหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะไม่ใช่มหาสมุทรนะในออกซิเจนนั่นมันมีน้ําในน้ํามีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์มีกายวิญญาณมันมีกายวิญญาณอยู่ทีนี้ท่านก็ถามพระครูว่าทําไมมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเมื่อเราทําไมแล้วเมื่อคิดดูว่า ระหว่างกินขนมปัง ก, กับกินข้าวเนี่ยอันไหนมีวิตามินมากกว่าเขาเขาตกอย่างนี้นะเขาไปคิดถึงเรื่องว่าประโยชน์ของมันเราไปคิดแบบตกกรรกะแบบวิทยาศาสตร์นะมันไม่เหมือนกันนะบางคนกินเนื้อสัตว์มีประโยชน์บางคนกินก็มีโทษบางคนไปกินเจมีประโยชน์บางคนกินเจมีโทษเพราะว่าธาตุมันไม่เหมือนกัน พวะครูถามท่านบอกว่าแล้วผ้ า, าจา์ทำไมเกิดเป็นฝอหลังทำไมไม่เกิดเป็นคนไทยเราไปความคิดเป็นแบบแพ็ k เกจเป็นแพทเทิร์นเดียวว่าทุกอย่างเป็นโปรแกรมเดียวเนี่ยทุกคนต้องเหมือนกันหมดโลกทุกวันนี้มันถึงวุ่นวายไงรัที่ที่จะครองโลกเนี่ยเขาก็พยายามสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อยัดเยียดให้ทุกคนเดินตามโปรแกรมนี้แล้วก็เขาจะคอนโทรลเราได้เขาจะเาจะอ้างว่าสิทธิในการรับรู้ข่าวสารนะเขาอ้าง เทคโนโลยีเขาเนี่เข้าถึงข่าวสารเราหมดเลยอยู่ก้นมึงในชั้นขุดขึ้นมาหมดแต่เราไม่มีทเทคโนโลยีที่จะเข้าถึงเขาหรอกในหลวงเราเองท่านเคยตัดไว้ว่าอย่าถามหาคุณธรรมในโลกนี้ไม่มีเห็นไหมแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องเราเราจะทำยังไงกับไอสังคมแบบนี้นะ มันไม่จบหรอกมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแล้วก็ไม่จบเพราะว่าแต่ละคนนี่ชอบไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกันนะมันไม่จบแต่ที่ไอความคิดที่บอกว่าจะเอาแพ็กเกจเดียวเอาไอเดียเดียวเอาหลักสูตรเดียวก็บังคับให้ทุกคนเหมือนกันเลยมันก็ไปขัดแย้งกับนานาจิตตังกับทางสายกลางของแต่ละชนชาติพลเผาก็ไม่เหมือนกัน มันก็เลยวุ่นวายไปหมดทีนี้เราต้องฉลาดนะเราต้องฉลาดว่าเอาเราอยู่สิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยความพอดีของเราอยู่ที่ไหนทุกคนต้องหาให้ได้ไม่งั้นเราจะสับสนเหมือนพ่อครูยกตัวอย่างในกเกษตรเพื่อชีวิตนะนะมีเท่าแก่น้อยคนหนึ่งมีอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวนะเขาขายตอนเช้ากับตอนเที่ยงเขาเก็บกวาดปุ๊บติ บ่ายสามปุ๊บเขาปิดรานเขามีเวลามาตีเข็มร้องเพลงทุกวันทีนี้มีเท่าแก่ใหญ่คนหนึ่งอยู่หน้าบ้านเขานั่งคุยกับภรรยาเขาอยู่ภรรยาก็บอกว่าอิจฉาคนนี้นะมันทำไมมีความสุขจังวันหนึ่งมันขายได้กี่ตัง์เองนะเดี๋ยวเท่าแก่ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันสุขจริงหรือเปล่า ก็ไปชวนเขาว่าทำไมทําก๋วยเตี๋ยวมันมันมันเล็กมันไม่เจริญเติบโตนะทํำให้ปเปิดพัฒนาการใหญ่โตเลยเขาบอกไม่แค่นี้ก็ดีแล้วบอกมันไม่ก้าวหน้ามันไม่เจริญนะเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอนะให้เธอยืมตังนี่ขยายเลยนะบังเอิญไปเผลอไงเขาก็มีกิเลสอยู่ตอนนั้นก็กิเลสเขาไม่เยอะแต่ไปกระตุ้นกิเลสเขาไงไปบอกตัวเลขเขาว่าจะได้อย่างไงอย่างนี้นะเท่าแก่ใหญ่ไม่ได้ให้ยืมหรอก ก็ให้เขาเนี่ยไปกู้เงินธนาคารหอกธนาคารให้มันกู้มับเกิดพัฒนการใหญ่โตขายตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืนนะสมัยก่อนขายวันละพันบาทเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตแต่ตอนนี้ขายวันละมือนบาทไม่พอจ่ายนี่จเจริญแปลว่ามีมากขึ้น เติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงไม่มีวเวลาตีขิมร้องเพลงเพราะมันไม่พอดีมันไม่พอดีมันเกินไปนะมันไม่มีสูตรสำเร็จว่าทุกคนต้องทำเหมือนกันของเราชัดเจนมากเห็นไหมนานาจิตตังไม่ได้เต้นท่าเดียวกันเลยบางคนเต้นอยู่บางคนดิ้นอยู่ข้างล่างบางคนกิ้งอยู่ตรงนี้บางคนนั่งอยู่ตรงนั้นนี่คือนานาจิตตัง ความพอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าถึงไม่ใช่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าพราะองค์ไม่ใช่คิดเอาเองนะไม่ใช่ไอเดียมันเป็นความจริงที่พระเจ้าไปตัดสรุปมาต้องทางสายกลางเท่านั้นะจะเป็นทางพ้นทุกข์ถ้าคุณสดตรงคุณขยันเกินไปคุณก็ทุกข์เดี๋ยวคุณเดี่ยง คุณขี้เกียจเกินไปเดี๋ยวคุณจะไม่มีกินคุณก็ทุกข์อีกต้องพอดีแค่ขยันขันแข็งก็เพียงพอดิ้นลนขวัญขวายมากไปอยู่เย็นเป็นสุขก็เพียงพอมั่งมีสีสุขมากไปเพราะมันมันอัลลมิตแล้วมันเปลืองตัวเองมันใช้ตัวเองมากเกินไปแล้วเอาตัวเองนี่ไปสร้างอนาคต จนทำร้ายตัวเองมันไม่พอดีแต่ถ้าขี้เกียจเกินไปก็ไม่มีจะกินนะต้องพอดีกำไรสุกทุกวันแต่ถ้าบุญเก่าเราสร้างมาเยอะนะอย่าห่วงเดี๋ยวธรรมะจัดสรรถ้าจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันเอาจริงนะคนรวยทุกเยอะเลยนะ พะเศรษฐกิจไม่ดีค่าตัวตายก็เยอะอยู่ถ้าจำเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันเห็นไหมชีวิตเราไม่ได้เกิดมาจนมารวยรวยก็เป็นผลพลอยได้จนก็สุขได้แม้กระทั่งเจ็บก็สุขได้นะก็พกครูเกินเกินให้ฟังตอนนี้เอาเป็นว่าพาะครูรออะไรไม่ได้ตั้งใจรอหรอก แต่รอธรรมะจัดสรรเพราะสิ่งนี้ยาวิเศษเม็ดนี้เนี่ยมันวิเศษแค่ไหนดูไหมมันจะเปลี่ยนโลกได้เราจะไปตัวรูปอะไรอะไรก็ช่างมันเป็นปลายเหตุเราต้องปฏิรูปคนแ้่ไม่ใช่คนในเมืองไทยนะประเทศเรานิดหน่อยเนี่ยเราเป็นแค่ปลายเหตุถูกบังคับให้เขาทำแบบนี้เท่านั้นเองถูกบังคับให้เขาเล่นเกมเราจึงมาทะเลาะกันไง ต้นเหตุมันคือเจ้าลัทธิเจ้าของเกมนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนโลกเราต้องเปลี่ยนคนพวกนั้นนะปัฒนาปฏิรูปที่คนถ้าคนมีคุณธรรมแล้วนี่ไม่ว่าต่อหน้ารับหลังไม่ต้องว่ามีกฎหมายไม่มีกฎหมายเนะ่มันจะไม่ทำชั่วแน่นอนและทีนี้ วิธีจะมามาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมนะบางทีสามสี่สิบปีนี่ก็ยังไม่ไปไหนไม่ใช่เพราะคูพูดเล่นนะพะาราะคูมาจากเมกะใหม่ๆเพราะคูเห็นบ้านเมืองเนื่องจากาเราเรื่องเมืองไทยเราเกิดที่นี่เราต้องการมาสนองคุณแผ่นดินเกิดแล้วก็ดูว่าเออแผ่นดินไทยมีเรื่องอะไรหรือมีอะไรเดี๋ยวเพราะคูเห็นเลยว่าขอเกาะหนึ่งให้พ่อคูยืมได้ไหมสักสามเดือนเกาะไหนก็ได้ ที่ที่คนไหว้นั้นเก่งๆก็ไหว้ข้ามไม่ได้แล้วขอคนที่อยู่ในรัฐสภาทั้งสองสภานั้นบัตกระทรวงทุกๆกระทรวงอธิบดีทุกๆกรมไปอยู่กับพ่อคูสามเดือนใครไม่เหวี่ยงไม่ให้กินข้าวออกมาสามเดือนไม่ต้องเลือกตั้งหรอกให้เขาไปบริหารมาเลยสิบปีเมืองไทยดีขึ้นทันทีแค่นั่นเองนะ ไม่ต้องไปเรียนจบดอกเตอร์ดอกอะไรหรอกยิ่งเรียนเจบสูงๆบางทีมันก็ยิ่งคอร์รัปชันเก่งนะเพราะว่ามันรู้จากวิธีคอร์รัปชันเนียนมากคนไม่มีความรู้มันคอร์รัปชันไม่เป็นหรอกคือมันป้นเรื่อเรื่อเลยเนี่ยมันขโมยเรื่อเรือเลยเหระเราแก้ที่ปลาเหตุเราแก้ผิดต้องแก้ที่คนทีนี้พรอครูก้าหวังไหมไม่แต่ตราบใดที่มีลมหายใจยังอยู่เนี่ยอยเปิดโอกาสให้พรอครูก็แล้วกัน แลวพ่อคูเห็นเครื่องมือหนึ่งแก้วทิพย์เก้าปีที่แล้วจบปริญญาตีทางคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำงานไม่แต่หนึ่งวันธรรมะจัดสรรก็ส่งมาหาพ่อคูนั่งปุ๊บแล้วลึกชาติกระโดดกอดเลยพวกท่านพ่อเนี่ยอุจจารหนีมายังตามมาอีกก็เลยต้องมาทำหน้าที่เลขาแล้วก็บังเอิญเขาก็ขออนุญาตพ่อคูว่าทำเว็บไซต์ทาอะไร นะและช่วงหลังหปีพะกุบญญยบรรยายเราญาติทีทางว่าขอลองทำสามฉบับมันรู้ทำโอเคเมื่อไปแล้วไม่เกี่ยงถึงจะมีดอกไม้มาก็ไม่รับก้อนหินมาก็ไม่รับเรายินดีแล้วก็เข้าไปยูท b e แค่ช่วงสั้นๆเนี่ยนะตอนนี้คนไทยโพ้นทะเลเนี่ยสี่สิบกประเทศนี่สื่อมากับเราแล้วยอยกันบินมาอันนี้คือบรรจุภัธุ์ แต่บรญจุพันธุ์นี้ยังไม่ครบเพราะมันไม่มีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกำลังรอคนที่จะเป็นวาเลนทีอาอยู่เรามาช่วยกันสร้างบรรจุพันธุ์ตรงนี้เอายาวิเศษตรงนี้เนี่ยนำเสนอมวลมนุษยชาติแก้ได้มากได้น้อยรักษาเชื้อสิ่งดีๆของพุทธเจ้าไว้ไม่ต้องประกาศศาสนาไปแข่งกับศาสนาอื่น นะทุกชนเผ่าทุกศาสนาเนี่ยบริโภคยานี้ได้ไม่มีพิษเขาจะนับถือศาสนาไหนก็ช่างเราประกาศผมอมจรรย์ชี้ทางให้พ้นทุกข์ให้สัตว์โลกนะก็พวกคูจะเข้าเรื่องนี้เพิ่งเกินเกินนะเมื่อยหรือยังมีบางคนกำลังนั่งนอนหลับอยู่ ก่อนอื่นพ่อครูก็บังเอิญบังเอิญนะปุ๊บเขาก็เอากระดาษสองใบมาให้พ่อครูมันเป็นการบังเอิญนะเป็นข้อเขียนของคุณหมอที่นั่งอยู่ที่นี่แหละนะก็คุณหมอบอกปุ๊บว่าท่านอนุ ญ, ญาตถึงจะออกไปทางอะไรเนี่ยเพราะท่านพูดความจริงนะยาอายทําดีก็พ่อครูจะอ่านให้ฟัง เรื่องเสียงเรียกร้องจากกล้ามเนื้อจากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พหลาน่อยจังหวัดอุบลกับพ่อครูบัญชามีสิ่งที่อยากจะเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบางอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนผมเป็นหมอแผนปัจจุบันที่เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลแต่ผ่านการผ่าตัดกระดูกคอ เคลื่อนมาแล้วสองครั้งในช่วงเวลาห่างกันเพียงแค่ปีเดียวแต่กะ น, นั้นอาการรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงชาไปทั้งตัวแขนขาซ้ายเป็นมากกว่าด้านขวาก็ยังไม่หายเสียทีหมอชื่อดังทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนต่างๆยืนยันด้วยการตรวจด้วยเครื่องมือสุดทันสมัย ก็ไม่สามารถอธิบายอาการได้จนหลังๆพานจะไม่รับรักษาเสียแล้วลองเปลี่ยนมาหลายวิธีทั้งสมุนไพรหมอจีนหมอดูคุณหมอไปหาหมอดูด้วยเหรออันนี้เขาเรียกว่าจนตอกก็มาแบบไปงั้นแหละไม่ใช่อ่านข้างเกินและอีกสารพัดวิธี ก็ไม่หายจนคิดว่าจะเจอทางตันเสียแล้วอ๋อนี่พาะคุณหมอพูดเองนะมันจะเจอสางตันนะถึงไปหาหมอดูเนาะวันหนึ่งเพื่อนก็ชวนมาสมาธิเวียงดูก็มาแบบไปงั้นแหละพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยลองมาดูแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนด้วยว่ามันคืออะไรประมาณว่าไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันคุณหมอพูดจริงๆ เ, เนาะ ตรงๆความแปลกมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นหลังทดลองไปเจ็ดวันจนเมื่อกลับไปทำงานจึงได้จัดให้พยาบาลที่โรงพยาบาลมาฝึกปฏิบัติจำนวนสิบคนที่ศูนย์โคโยุหะที่เป็นสาขาของศูนย์พลรานข่อยที่อยู่ใกล้ๆอสมมทในกรุงเทพเพราะว่าอาการที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงชา ปวตามตัวจนไม่กล้าวิ่งหรือกระโดดเพราะกลัวกระแทกที่คออีกเดี๋ยวจะได้ผ่าตัดเป็นรอบที่สามอาการต่างๆมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจนกลับไปเตะฟุตบอลเบาๆกับลูกๆที่บ้านได้หลังจากที่ไม่เคยสัมผัสลูกฟุตบอลมาห้าปีเต็มหลังผ่าตัดคอและยังมีของแถมด้วยการที่รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นประมาณว่า ลอยมุกในที่ประชุมจนทำให้ลูกน้องหัวเลาะท้องแข็งไปเลยยิ้มง่ายขึ้นและยังนอนหลับดีและหลับยาวยันสว่างจากที่หลับหลับตื่นๆ่นมานานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสียงเรียกร้องจากกล้ามเนื้อและการปฏิบัติธรรมต้องตอบว่ามันสัมพันธ์และเกี่ยวกันโดยตรงเพราะแนวของพ่อครูบรรชานั้นใช้เสียงเพลงเป็นตัวนา ตามด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนจะเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นอันนี้เป็นจุดสําคัญอย่างที่เราทร า, ทราบว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายได้จากที่เราสั่งกล้ามเนื้อเราเมื่อเราจะก้าวไปซ้ายก็สั่งให้ยกขาซ้ายแต่การปฏิบัติแนวพ่อครูบัญชานั้นกับตาลปัด ตลปัดแสดงว่ามันแสลงมากเนาะกับตลปัดกันเลยเพราะเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงที่หูและมารับรู้ที่ใจแล้วกล้ามเนื้อเราจะเรียกร้องที่จะเคลื่อนไหวตามที่มันอยากจะเคลื่อนไหวไม่ใช่เราสั่งให้กล้ามเนื้อเราก็คือจิตเราจะบอกกล้ามเนื้ออีกทีว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่อยากจะเคลื่อนไหว เราเพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมการทางานของจิตเท่านั้นแต่เรื่องง่ายๆกลับไม่ง่ายเรื่องง่ายกับยากเมื่อเราฟังเพลงแล้วเราเกิดไปสั่งกล้ามเนื้อของเราตามที่เราจะเคยชินเช่นบางครั้งหมุนแขนซ้ายจนเมื่อยเราก็คิดว่าจะหมุนอะไรนักหนาชักเมื่อยแล้วนะอยากหมุนขวาบ้างก็เลยไปก็ไป ก็เลยไปละเลยเสียงเรียกร้องจากกล้ามเนื้อที่ยังคงต้องการหมุนแขนซ้ายอยู่แล้วก็ได้เรื่องเมื่อมันไม่ยอมหมุนขวาให้หรือถ้าเราฝืนจริงก็พอได้แต่การเคลื่อนไหวจะไม่เป็นธรรมชาติทำนองไปไม่เป็นและกล้ามเนื้อปวดตึงมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อปฏิบัติสักพักก็ได้ข้อสรุปว่าเสียงเรียกร้องจากกล้ามเนื้อนั้น เกิดจากความต้องการของจิตอีกทีเราเพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายตามความต้องการของจิตที่สื่อสารความต้องการผ่านกล้ามเนื้อมาเป็นการเตรียมการเคลื่อนไหวเป็นท่าทางต่างๆนั่นเองโดยระหว่างการฝึกปฏิบัติไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตั้งคำถามค่อยมาถามหาเหตุผลหลังปฏิบัติไม่ฝืนไม่สั่งการมันจะเกิดการเต้นหรือการเคลื่อนไหว ที่ดูแปลกๆจากทั่วไปแต่มันสะท้อนความต้องการจากภายในของร่างกายและจิตเป็นการรักษาหรือเยียวยาในลักษณะจิตภายในบำบัด ร, ร่างกายตนเองเซลล์เฮลิ่งจากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติศูนย์พารานคอยจังหวัดอุบลของนายแพทย์สายต์เลืองกิตกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลองคลักษ์ จังหวัดนครนายกขอกราบขอพบพระคุณพ่อครูบัญชาที่ให้แสงสว่างในชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะก็ไม่ต้องเชิญท่านขึ้นมาพ่อครูอ่านแทนแล้ว<อ>แต่คนที่จะเชิญต่อไปนะพ่อครูกำลังจะหาบรรจุภัณุ์ไม่งั้นยาวิเศษนี้มันส่งออกไปไม่ได้และยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์ เราต้องใช้บรรจุพันณฑ์ใช้ภาษาวิทยาศาสตร์นะแล้วทําไมพวกครูไม่บอกล่วงหน้าถ้านักวิชาการเขาโกรธมากนะเพราะเขาเตรียมเอกสารเตรียมสื่ออะไรจะมาสนับสนุนคําพูดเขาไม่ทันถ้าพวกครูบอกเขาล่วงหน้าเราจะไม่ได้เราจะไม่รับความจริงความจริงไม่ต้องเตรียมพูดเมื่อไหร่ก็ได้บอกไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นแหละคือความจริงเนาะเห็นไหม ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงก็พูดไปตรงๆเราจะได้ความจริงนะก็เชิญคุณหมอเอสดมาขึ้นหน้าหนึ่งหน่อยคุณหมอเอสดคุณหมอเอสดลาออกจากงานที่กรุงเทพจะมาตั้งใจปฏิบัติที่สูนี้บอกอย่างต่ำหกเดือน แตอ่อย่างสั้นหกเดือนเนาะแต่อย่างยาวไม่รู้อาจจะตลอดชีวิตก็ได้ก็อย่าให้คุณหมอเอสดมาแสดงความพิจิเห็นว่าก่อนมาปฏิบัติชีวิตและอารมณ์เป็นอย่างไรหลังจากปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรหรือเบื้องต้นแต่ในขณะนี้เนี่ยจนถึงวินาทีนี้เนี่ยให้ข้อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ นะเพราะยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์เราต้องแปลไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยให้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะแต่หมอเอ็ดคงไม่กล้าโกรธพ่อครูเนาะไม่บอกลงหน้าเนาะกขออนุ ญ, ญาตเชิญหมอเอ็ดมานั่งเก้าอี้จะได้เห็นหน้ากันนะนั่งคุณหมอเอด็ดกราบนามาส ก, การพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับแล้วก็กราบนามาส ก, การพ่อครูแล้วก็ก่อนนมาสการ ขอเป็นกัลยาณมิทุกท่านแล้วกันนะครับพระครูถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเต้น <c oughs> <ง>ชีวิตก่อนปฏิบัติแล้วก่อนหลังจากปฏิบัติแล้วเริ่มแรกปฏิบัติแล้วเป็นยังไงแล้วถึงปัจจุบันนี้คุณหมอเอ็ดดูที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยตามในยะของคุณเอสแคุณหมอหมอหมอเอสว่าพูดพูดให้ฟังพูดฟังจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนแรกถ้าอางั้นก็ต้อง ย้อนไปเมื่อสักสองปีก่อนครับพ่อก็คือตอนแรกก็คือผมต้องต้องเรียกว่าอาจารย์าารยหมอบัญชาตอนนี้เรียกว่าขอเรียกว่าเป็นพี่เอกแล้วกันนะครับจากอาจารย์เปี่เป็นพี่เพราะว่าก็คือผมตามไปเรียนอยากเรียนวิชาเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกแพทย์อง์รวมนะครับแล้วก็พี่เอกแกก็บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้เรื่องให้ไปเวียงก่อนก็ไม่รู้ว่าเวี่ยงคืออะไรเหมือนกัน แม้เราวก็ยอมรับว่าพยายามสแสวงหาคําตอบให้กับชีวิตมานานแล้วพอสมควรนะครับก็คืออยากลึกๆเราอยากรู้ว่าเราเกิดมาทําไมเหมือนกันก็เคยไปสอแสวงหาหลายๆทางหลายๆสํานักก็ก็คิดว่าตัวเองมีคําตอบในชีวิตแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ที่ เหมือนกับว่าตอบเราได้ถึงที่สุดแล้วก็ท่านยังมีสังขารอยู่ก็คือไม่ไม่ทันเจอแล้วก็ก็คือไปไปเหวี่ยงครั้งแรกที่ว่าวันนี้นะฮะก็ไปไปได้ได้ไดพบพ่อครูวันนั้นก็ยังงงอยู่ว่าว่าคืออะไรก็วันนั้นก็เวี่ยงไม่ได้แล้วครับก็แต่ว่ารู้สึกว่ามัน ยอมรับว่ากลัวกลัวเหมือนกันมันมันคือบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้กล่าวพระครูวันนั้นเป็นวันแรกด้วยครับพ่ะครูก็บอกว่าอย่างน้อยผมก็ได้สัมผัสแล้วว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวเราซึ่งซึ่งมันมีอยู่ผมก็วันนั้นอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นกลับไปก็นุ่มทั้งตัวแล้วยอมรับว่ากลัวมากตัวแข็งหันไม่ได้อยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันหมุนหมุนหมุ น, ห ม, นหมุนมากแต่ว่ารู้สึกว่าเรายัาง เรายังไม่ปล่อยวางจริงๆมันก็เลยยังไม่สัมผัสหลังจากนั้นส อ, อาทิตย์พอหายปวดมันก็ยังมีคำถามว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเราก็ยังอยากรู้คำตอบอีกเดือนหนึ่งก็เลยเอาวะไปใหม่ ก, ก็ก็ไปไดเรื่อยครับอาศัยว่าตือ้อแล้วก็ทุกท่นมีปัญหาในชีวิตพอสมควรตกงานเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเรารู้รู้สึกว่าเราไม่รู้จะหาอะไรคาตอบในชีวิตเราไม่รู้จะแก้ปัญหาอะไรยังไง ก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไปเหวี่ยงเรื่อยๆครับเหี่ยงน้อยสักแบบละครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งไปเรื่อยๆแค่รู้สึกว่าเหวี่ยงเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วมันมันได้ร้องมันได้ตะโกนมันได้ระบายมันสบายใจมันโล่งมันเบาขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นก็คือชีวิตมันเหมือนเดิมปัญหามันเหมือนเดิมแต่ว่าเราทุกข์กับมันน้อยลงมัน มันคิดน้อยลงมันทุกน้อยลงมันก็เบาขึ้นมันก็ว่างขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่เครียดแล้วก็ค่อนขอ้างจะวิตตกระวางแผนแวางแผนชีวิตเรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยทําตามแผนได้เลยสักครั้งเป็นคนที่จริงจังกับตัวเองแต่ว่าไร้วินัยกับตัวเองที่สุดชีวิตมาถึงได้บบเรื่อยๆเปื่อยๆมาจนทุกวันนี้ครับแต่ว่าหลังจากเบี่ยงไปแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราก็เป็นคนพยายามวางแผนบ้างแต่ว่าน้อยลงแผนที่แบบ อาจจะแพลนเป็นหกเดือนปีนึงเหมือนกับสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆครับก็สิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือมันคิดนอกกรอบแต่ก่อนเราเออกจากกรอบไม่ได้เราเหมือนชีวิตมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราเราเหมือนเรามองจากที่สูงมากขึ้นเราเห็นอะไรหลายๆอย่างกว้างขึ้นซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราอยากเรียนสิ่งที่พี่เอกสอนก็คือ เราต้องออกมาจากมุมเดิมกรอบเดิมก่อนมองใหม่แล้วเราจะเห็นอะไรทุกอย่างได้กว้างขึ้นเห็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าก็ก็แค่นั้นหลังจากนั้นเหมือนกับชีวิตมันก็ปรับมาเรื่อยๆตามตามเหตุปัจจัยนะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่รู้สึกว่าตั้งแต่คือคือต้องยอนความว่าผม เรียนจบมา10กว่าปีแล้วก็คือรับรชาชการอยู่สองปีแล้วก็ลาออกเพราะว่ามีปัญหาหันที่ทํางานเหมือนกันเพราเป็นคนใจร้อนหงุดหงิดก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้ก็ใช้ชีวิตอยู่ตามคลินิกเอกชนไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีสาระอย่างที่อย่่างทีเรียนให้ทราบเมื่อกี้ครับหลังจากนั้นพอมาเจอมาได้เวียงมาเจอพี่เอกมาเจอกรลายานมิตรได้กราบพ่อชีวิตก็ค่อยเปลี่ยนขึ้นเบาขึ้นปัญหามันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆจาก10ปีที่ผ่านมาคิดว่าไม่เคยมีความมั่นคงในชีวิตเลย สองบสที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีความมั่นคงแต่มันไม่กลัวไม่กังวลมันก็บอกให้ถูกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเบาขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงกระทั่งเมื่อสักปลายปีที่แล้วครับจริงๆตั้งใจแล้วว่าอยากจะให้เวลากับตัวเองสักสักพักหนึ่งว่า มันคงถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะรู้ว่าคำตอบของชีวิตมันคืออะไรอยากจะไปให้ถึงที่สุดว่าจิตเขาจะพาเราไปที่ไหนก็วางแผนมาวันนั้นที่จำได้ว่าประมาณเดือนธันวาครับที่มาที่ศูนย์ได้สองสาวันมาเองนะครับเราก็ยังสับสนอยู่ว่าเราจะไปทางานอีกที่หนึ่งซึ่งพี่เอกวางแผนไว้ให้เราหรือว่า เราจะตัดสินใจอย่างที่เราตั้งใจคืออยากจะมาอยู่ปฏิบัติจริงจังสักระยะหนึ่งได้กราบเรียนพ่อพ่อก็เหมือนกับว่าได้คุยกับพ่อประมาณสองชั่วโมงวันนั้นจำได้ก็มันก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายก็เลยคิดว่าก็เข้ามาเหวี่ยงแล้วกันสุดท้ายพอไม่ได้คิดมันก็มันก็ได้คาตอบว่ามาเถอะเราก็ตั้งใจว่าไหนๆแล้วก็ รู้สึกว่าเออเราต้องมาแล้วล่ะล้วก็วางแผนประมาณหกเดือนนะครับก็เคลียร์งานพารต่างๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งได้มาในวันนี้ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่สักปีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ตั้งอะไรแล้วดีกว่าครับอยู่ไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นถามว่าชีวิตที่นี่หนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาเข้าใจคำที่พ่อบอกครับว่าที่นี่อยู่ง่ายๆแต่ว่าอยู่ยากๆยากเพราะเราเองนี่แหละ วันแรกยองรับว่าตกใจมากที่ได้ไปอยู่เดือนกรรมฐานขนของมาเยอะมากกล่าวว่าเอจะมาอยู่ห้องเบอร์สิก็กสบายหน่อยแต่ว่าพอพ่อให้ไปอยู่เดือนกรรมฐานก็ใจแป้วเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านเลือกให้เราแล้วสาเมรตามันต้องมีอะไรที่ที่บอกกับเราก็ไปอยู่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจออะไรแปลกๆนะครับเป็นแค่ มันมีตะขาบแล้วก็พี่ปองแต่และคนบอกว่าอ๋อทุกคนโดนตะขาบขัดกันหมดแล้วละ่ะแล้วก็เออก็น่าจะอยู่ได้ตอนแรกก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ก็ชินนะครับจุงวัแรกได้ฝนตกอย่างเรานอนไม่หลับเพราะว่าเสียงกบขีย่ดังมาก แต่ว่าตอนนี้ก็สบายแล้ววันไหนฝนไม่ตกก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะวันเบาเกินไปสําหรับการปฏิบัติที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่ามันมันมันเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้แค่รู้สึกว่าเราแค่ต้องเดินไปเรื่อยๆบางวันมันก็มันมันก็อย่างเราว่าเบิกบานมากมันเบามากมันว่างมาก บางครั้งเราก็อยากได้สภาวะนั้นกลับมาแต่มันไม่ได้ทุกครั้งก็เตือนตัวเองว่าเรามาหนะ้าเดินทางนั่นแหละมันจะดีไม่ดีมันจะขี้เกียจมันจะอยากเข้าจิตจะเข้าลึกเข้าได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่แค่ทําไปเรื่อยเหมือนที่พ่อบอกครับเดินทางไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็พยายามเตือนตัวเองฝึกตัวเองไปเรื่อยครับพยายามมันจะไม่คาดหวังแล้วก็ ปรุงตัวเองแล้วดูตัวเองที่พยายามจะมองตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเราจิตเราก็จะน่าจะเป็นตัวสิ่งพาเราไปถึงจุดหมายด้วยตัวของเราเองนะครับสุดท้ายนี้ก็น่าจะตอบคําถามพ่อได้หมดนะครับสิ่งที่พ่ออยากใจหัวแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะโชคดีที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาใช้ชีวิตที่นี่ อ น, นาคตก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแต่ว่าถึงหน้าโอกาสนี้หนเวลานี้ถือว่าจะเรียกรียว่าณปัจจุบันก็ถือว่ามีความสุขและอิสระที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ครับพอ่ขอขอจบละกันครับสาธุสาธุสาธุนะคุณหมอก็ถ่ายทอดนี่คือความจริงความจริงไม่ต้องไปเตรียมข้อมูลก็พูด อารมณ์จริงๆรู้สึกจริงๆนี่คือธรรมะนะไม่ต้องไปท่องจําภาษาบาลีอะไรนั่นอันนั้นเป็นแค่วิชาการทางศาสนาความจริงคือเราก็พูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเลยเกี่ยวกับวิชิตชีวิตจริงๆเราเลยนะก็ทําไมพรอกูต้องเลือกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มามุมมองก็เป็นยังไงเพราะคนเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเขาต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเองก่อนแม้กระทั่งภาษาคุณหมอพูดตรง น, นี้พยายาม คือไม่ต้องระวังแต่ว่าระวังในตัวเองอยู่แล้วเขาจะไม่สรุปว่ามันคืออะไรชัดเจนก็เล่าคร่า้าว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงเท่านั้นเองนะอันนี้ก็นี่แหละคือหลักวิทยาศาสตร์ผู้เจ้าสอนแบบหลักวิทยาศาสตร์อย่าพิ่งเชื่ออะไรไง่ายๆอย่าพิ่งปฏิเสธนะเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆทีนี้เราหลงป่าแล้วก็เดินไปเรื่อยจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่เดินเลยเนี่ยมันก็ไม่มีวันถึง รอเสือมากินเราไปไม่ป่าเหมือนเราหลงป่าเนี่ยนะสมมุติว่ามันมีที่โล่งกว้างเนี่ยเราไม่ถังให้มันโล่งเตียนไว้หน่อยหนึ่งเนี่ยบางทีเฮลิคอปเตอร์มันก็ลงมารับเราไม่ได้ต้องทําแต่เขาจะมารับเราเมื่อไหร่ก็ช่างเขาไม่ใช่ไม่ต้องไม่ตั้งไปคิดเอาเองว่านี่โลคมีอยู่แล้วนี่พานอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอันนั้นอันนั้นรอวันตายนะต้องปฏิบัติ แต่ก็ไม่ต้องพิจารณาไปตัดสินมันนี่นะต้องปฏิบัติแต่ปฏิบัติโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปตัดสินไม่พิจารณาเลยคือเดินป่าก็คือเดินป่าเนี่ยนะก็โอเคก็คนต่อไปเพราะกูยังมองไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้นี่แ๊บไปเมื่อกี้เป็นหมอผู้ชายก็เอาหมอผู้หญิงหน่อยหนึ่งคุณหมอเชอร์รี่ครับเชิญครับ หมอเชอรี่ก็เอาคําถามเดิมนั่งข้างบนไม่เป็นไรขออนุญาตให้คุณหมอเชอรี่นั่งข้างบนจะได้เห็นหน้ากันเนาะก็คําถามเดิมว่าก่อนที่มาปฏิบัติชีวิตเราเป็นยังไงแต่หลังจากปฏิบัติแล้วเนี่ยแรกๆนี้เป็นยังไงพอมาถึงปัจจุบันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงแล้วเรามอง สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงตื่นเต้นนะคะเนี่ยก็ขอกล่าวนมัสยการพระคุณเจ้าค่ะกล่าวนมัธการพ่อครูแล้วก็แม่ชีแล้วก็ญาติธรรมอะค่ะไม่ได้เตรียมตัวเหมือนกันต้องใจไม่คิดว่าจะโดนเรียกเป็นคนต่อจากหมอเอนะคะก็จริงๆ เหมือนกับว่าคงปเป็นยังไม่เรียกว่าธรรมะรัดสรรแล้วกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเรามีปุพกรรมร่วมกันหรือว่ามีกรรมสัมพันธ์กันหรือเปล่าเพราะว่าครูบาอาจารย์เราก็คือร่วมกันนะคะจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากหมอสินะคะหมอโกออพาคุณแม่กับคุณพ่อไปตรวจสุขภาพาะค่ะแล้วพอเห็นศาที่ ก้แพ็คที่กับคนไข้ก็เลยรู้สึกสนใจโก้บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้อะคะ่ะก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ก็คืออาจารย์บัญชาะคะ่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าอยากเรียนก็ต้องมาปฏิบัติก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รับเป็นลูกศิษย์นะคะทีนี้ก็ไม่เลยไม่แน่ใจว่าเออทาไมต้องมาปฏิบัติที่นี่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่อยากเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ว่าที่นี่เออเป็นยังไงก็เลยมาปฏิบัติ อ็โชคดีที่ได้กัญยาณมิตรญาติธรรมก็คือพี่ใจอะค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวช ส, สิทธิที่โรงพยาบาลบ้านบึงจริงๆพี่ใจเคยชวนมาสามปีแล้วค่ะว่ า, ามาที่อุบลไหมแต่ว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ใจมาไกลจังเพราะว่านจริงแล้วที่ออทํางานอยู่โรงพยาบาลบ้านบึงอะค่ะเออเป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลบ้านบึง ออพี่ใจก็ชวนเออเดี๋ยวจะสร้างหล่อหลวงพ่อทันใจนะแล้วก็บอก อ, อ๋อพี่ใจเดี๋ยวใส่ซองแล้วกันนะคะคือไม่ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาไกลขนาดเนี้ค่ะเพราะว่าที่ชลบุรีก็มีสถานปฏิบัติธรรมเยอะมากแต่พี่ใจบอกว่าต้องลองมาดูถึงจะรู้แต่ก็ไม่เข้าใจจนวันที่ถึงเวลาที่ได้จะได้มาที่เนี่ยค่ะพี่ใจบอกวันนั้นพรอครูทักพี่ใจอะคะ่ะก่อนที่พี่ใจจะกลับ บอกว่าทําไมไม่ชวนหมอมาด้วยพี่ใจก็บอกอา้าวก็นี่นะคะหมอยีพี่ยีเป็นทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านบึงอะค่ะพี่ใจบอกว่าเอพราะครูอบอกว่าไม่ใช่หมายถึงหมอรักษาโรคซึ่งเราไม่คิดว่าวันนั้นในยะจะคือเราอะค่ะเพราะว่าพอวันที่พี่ใจกลับมาถึงบ้านบึงตอนเช้าอะค่ะเราก็เดินขึ้นไปบอกพี่ใจว่ า, าพี่ใจขอไปบนได้ไหมที่พี่ใจไปใช้พลานขอยหรือเปล่าพี่ใจก็เงียบไปห้านาที แล้วบอกว่าพ่อครูเพึ่งทักพี่ใจอ่ะค่ะหนูก็บอกเอาหนูก็กําลังงงว่าพี่ใจว่า อ, อ๋อพี่ใจก็ไม่เข้าใจที่พ่อครูทักอาจารย์บัญชาก็บอกว่าหนูส่งคลื่นมาหาพ่อครูค่ะแต่หนูก็ไม่รู้หนูส่งไปตอนไห น, นสุดท้ายก็เลยได้ครูได้พอมาปฏิบัติปุ๊บตอนนั้นจําได้ว่าเป็นวันามาคาราบูชาค่ะเดือนกุมภาพเอวันที่ปฏิบัติปุ๊บ ก็ไม่เข้าใจว่าจะให้ปฏิบัติยังไงเพราะว่าเหมือนกับอ่านก็คือเหมือนกับที่พระอาจารย์เดชาเทศนะคะวิธีใครวิธีมันเราก็เไปยังไงเห็นข้างข้างเขาหมุนแล้วก็หมุนตามเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก่อนที่จะกลับวันสุดท้ายอะค่ะพอเปิดเพลงช่วงเช้าอะค่ะพอปฏิบัติปุ๊บมันก็หยุดหมุนไม่อยู่ะค่ะคือพยายามจะยืนก็หมุนไม่ได้ยืนแล้วก็ล้มยืนแล้วก็ล้มแม่เขาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าทรมานมากเพราะว่า พอหมุนไม่ได้ก็กิ้งกิ้งก็หน้าก็ไปกระแทกกับข้างฝาปากก็เจอจมูกก็จะระบมไปหมดนะคะพยายามจะกิ้งอยู่ก็พอรู้ว่าสิ่งที่เราต้องหมุนเนะี่ยเป็นเพราะร่างกายเราต้องการปรับสมดุล น, นะคะเพราะเหมือนกับว่าร่างกายเราตึงเครียดมากเหมือน ก, นกับระบบภูมิต้านทานเราก็ย่ำแย่ค่ะการหมุนก็คืออย่างที่พ่อครูบอกค่ะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานเพื่อให้ร่างกายเราปรับสู่สมดุล น, นะคะ พอเริ่มหมุนจนสามารถหมุนได้โดยที่ไม่ล้มแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆก็คือเข้าไปในโปรแก ร, รมที่มันมันฟามไปเรื่อยๆอะคะ่ะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเออ ก, ก็ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่มากเหมือนของหมอคุณหมอเอสนะคะซึ่งเขาค่อนข้างมุ่งมั่นกว่าเราพอสมควรของเราก็ยังแบบยังไปทางโล่งข้างเยอ ะ, ะคะ่ะเหมือนยังทํางาน ค่อนข้างเยอะทั้งในเวลาราชาการแล้วก็ทําคลินิกของตัวเองส่วนตัวนอกเวลาก็เลยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้เต็มที่ะคะ่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ไปที่โคบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับ ว, ว่าไม่ได้ไปนานละแต่ว่าก็ยังมาที่นี่อยู่บ้างอ่ะคะ่ะ mm hmm. ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงก็คือเรารู้สึกว่าพอเรามาปฏิบัติอ่ะคะ่ะร่างกายเราเริ่มแข็งแรงขึ้นสมัยก่อนเหมือนกับว่าเ อ, อเราเนี้ยตื่นเช้าไม่ได้ะคะ่ะเพราะเหมือนกับว่าเป็นคน เออต้องเหมือนกับว่าพอตอนเย็นก็ทําคลินิกว่าจะเลิกคลินิกว่าจะได้กินข้าวว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนก็เลยทำให้ครูเป็นคนนอนดึกพอนอนดึกปุ๊บเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังไม่หลับมันก็ทําให้เราตื่นเช้าไม่ไหวอะค่ะแต่พอเริ่มปฏิบัติปุ๊บเริ่มมาเรียนรู้สาสตร์เนี้ยค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราก็เริ่มตื่นเช้าได้มากขึ้นแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นสมัยก่อนเป็นคนสุดโตกอย่างที่ พ, พ่อครูบอกอะค่ะคือ ไม่ดูแลตัวเองเลยพอดูแลก็ดูแลแบบสึดโต่เหมือนกับว่าพอรู้ว่าร่างกายเรามันไม่โอเคแล้วเราก็แบบจัดเต็มวิตามินก็จัดเต็มทุกอย่างก็จัดเต็มแต่ถึงรู้ว่าการทําโดยที่จิตไม่พอมคะคะที่จะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะสุดท้ายก็เลยต้องมาทางสายกลางเพราะว่าจําได้ว่าทุกครั้งที่มาลาค่ะคุณพ่อครูจะเตือนเสมอว่าดูแลคนอื่นแล้วอย่าลืมดูแลชีวิตตัวเองนะคะ แต่เราก็มักจะจะทําตามที่พ่อครูเตือนได้ไม่เต็มที่ะค่ะเหมือนกับว่าเราก็ยังมัวห่วงคนอื่นอ่าจารย์บัญชาเคยเตือนหลายรอบแล้วว่าให้ดูแลตัวเองเพราะว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วก็คือว่าเราก็ต้องไปดําเดินของเราเองค่ะก็ต้องเริ่มวางตอนนี้ก็ใค่อยๆเริ่มวางงานลงแล้วอะค่ะคือสมัยก่อนงานก็เป็นห่วงคลินิกก็เป็นห่วงครอบครัวก็เป็นห่วงตอนนี้ก็เริ่มห่วงงานน้อยลง คลินิกถ้าเกิดว่าหาคนทําไม่ได้ก็ปิดยาวอะค่ะคนไข้จะบ่นก็เป็นเรื่องของคนไข้แล้วก็แบบเออเราก็ต้องดูแลตัวเองบ้างมีคนไข้ก็บอกหมอเป็นคนนัดเองแต่หมอก็ปิดคลินิกแล้วก็บอกโอ้นี่เราขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวถ้าคือเป็นการวัดใจค่ะว่าใครเป็นลูกค้าตัวจริงถ้าใครเป็นลูกค้าตัวจริงก็คือเขาก็ยังจะหลักรักษากับเราอยู่ถ้าใครแบบว่าเขาไม่โอเคเขาก็เขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไปรักษาที่อื่นนะคะแล้วก็ เหตุปัจจัยอาจจะไม่ได้เหมือนหมอเอทตอนนี้ค่ะเพราะว่าธรรมะยังไม่จัดสรรขนาดเขาจริงตอนที่เราเจอกันก็อนุโมทนากับเขาด้วยค่ะว่าเขาแบบบุญเยอะกว่าเรามากที่ดีเหมือนกับว่าวางภาระทางโลกแล้วมาปฏิบัติเต็มที่ค่ะแต่เราเหมือนกับว่ายังยังติดดีค่ะเหมือนงานก็ไม่ยอมวางครอบครัวก็ไม่ยอมวางมันก็เลยยังไม่ถึงเวลาของเราแต่ถ้าวันนึง มีมีบุญมากพออย่างที่พระครูบอกคะ่ะธรรมะอาจจะจัดสรรให้เราได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่คะ่ะแล้วก็หนุ่มตอบครับยังคะอ๋อจริงๆแล้วเมื่อวานฟังพระอาจารย์เดชาพูดถูกมากเลยคะ่ะคือเวลาปฏิบัติเนี้ยเอออยา่าอย่ากลัวก็คืออย่าขี้สงสยัยอยา่า ขี้กลัวค่ะแล้วก็าลืมเลยอย่าสงสัยอย่า ก, กลัวแล้วก็หลืมเลยค่ะบล็อกเลยอีกข้อหนึ่งเลยนะคะลืมเลยอ่าอย่าขี้เกียจใช่ค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าบางครั้งพอตอนแรกที่หมุนนะคะ่ะตอนนั้นก็คือก็ยอมรับว่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเวลามันหมุนมันทรมานมากหมุนเสร็จก็ต้องเดินไปอาเจียนหมุนเสร็จก็ต้องเดินไปอาเจียนแล้วก็มันไม่ไหวจริงมันก็ต้องคานะคะ่ะ คลานแบบแต่ว่าทําไมเราก็แบบเอ๊ะทาไมเราเห็นคนอื่นเข้าสมาธิเขาเขาเข้าสมาธิแล้วเขาแบบว่าเดี๋ยวเขาลําเดี๋ยวเขานั่งหมุนทําไมเราต้องต้องหมุนตลอดแค่นั่งนั่งคือนั่งท่าหมุนตัวเราก็ต้องกระดึบกระดึ๊บหมุนหมุนไม่ยอมหยุดอะค่ะเราก็แบบว่าทาไมมันแบบทรมานแต่พอวันหนึ่งก็แบบอะ่ะตายเป็นตายพอวันที่หมุนได้ยืนได้เราไม่ล้มมันถึงยอมเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมอื่นต่อไปอะค่ะเพราะนั้นก็เลยทุกคนก็คือต้อง ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีใครตายในสมาธิเพราะเขาคงไม่ให้เราตายง่ายขนาดนั้นถ้าเราตายในสมาธิเราก็คงไปสู่สุคติแต่เขาคงไม่ให้เราไปง่างยๆเขาคงเก็บเราไว้ก claro> hmm. ่อนเพราะฉะนั้นก็คือพอเราไม่กลัวแบบตายก็ตายมันจะเจ็บหัวก็ฟาดไปหลายรอบแม่เห็นแล้วก็แบบโอ้แว่นหัวก็ล้มอะไรคือหัวโนปากเจออะไรจาแต่ว่าพอสุดท้ายพอมันเงมันหมุนได้แล้ว เราก็ค่อยเปลี่ยนโปรแกรมเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเราเก้าวผ่านความกลัวค่ะมันก็จะผ่านไปได้แต่ว่ายังยังติดเป็นพวกแบบใช้สมองเยอะชอบขี้สงสัยแล้วก็จะโดนอาจารย์บัญชาเขกหัวว่าจะเป็นต้นหนูจะไหมจะอยากรู้ไปทําไมรู้แล้วมันก็ไปติดบวกความรู้เยะค่ะมันก็ไม่ก้าวผ่านไปต อ, ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ยังยังไม่โอเคอาจจะติดตัวขี้เกียจล้วค่ะคือยังยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ แต่ก็จะพยายามให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่มีใครเข้าไม่ได้เข้าได้ทุกคนนะคะแต่ว่าเ อ, อถ้าเราขยันเราไม่ขี้สงสัยแล้วเราก็ไม่ขี้กลัวคิดว่าทุกคนก็สามารถทําได้หมดทุกคนนะคะเห็นไหมคะจะด้หวังไหมสาธุสาธุสาธุ ก็เมื่อกี้คุณหมอบอกเรื่องดูแล ต, ตัวเองนะที่สูนนี้เรามีอา่าสีสมไทยไดูยังอยู่หรือเปล่าอายุเก้าสิบ็ดเก้าสิบสองที่นี้ลูกหลานก็พาไปตรวจร่างกายทุกปีเป็นประจำปีที่แล้วไปก็มาเล่าให้ประคูฟังคุณหมอก็อายุประมาณนี้แหละสามสี่สิบเนาะ อา ม, ม่าก็ถามเอ้ยคุณหมอถามอา ม, ม่าว่าอา ม, ม่าสบายดีไหมอาม่มมาบอกสบายดีอา ม, ม่าถามว่าคุณหมอสบายดีไหมคุณหมอบอกไม่ค่อยสบาย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใครตรวจใครเนาะ <c oughs> เพราะคุณหมอยุ่งมากเลยงานหนักมากเนี่ยต้องดูแลตัวเองหน่อยหนึ่งนะตอนนี้หมอกันที่มุกดาหารเคยมาบอกพ่อครูพร่อครูหลายปีแล้วแกบอกเฉลียเนี่ยหมอเมืองไทยเนี่ยห้าสิบามปีตายละ ตอนนี้คงไม่ถึงห้าสิบสามมาเนาะคงห้าสิบห้าสิบดอะไรนี่เห็นไหมทาไมวิชาชีพหมอเนี่ยเรารู้เรื่องสุขภาพมากที่สุดเลยทำไมอายุสั้นเห็นไหมถึงว่าต้องดูแลตัวเองหน่อยหนึ่งมัวจะไปดูแลคนไข้มากเกินไปนะก็ก็ดูแลคนไข้ก็ดีอยู่บางทีดูแลแต่ไข้ไม่ไม่เห็นคนนะไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแาคาแน่นี้เครียดไปจนหมดเนาะนะนะ ก็แต่คุณหมอมาที่นี่น่ารักทุกคนเนาะพราะหลังจากเปียงแล้วนี่ก็สลัด อ, อ, อัตราอะไรลงไปบ้างนะก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่ายังไม่หยุดนะคนสุดท้ายนี่เป็นคนสำคัญมากนะน่าศึกษามากดวงจิตดวงนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะเนะพราะครูสนทนา บ่อยๆนะเป็นดวงจิตที่น่าศึกษาถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยต้องเป็นแบบนี้จริงๆจิตซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นแบบนี้คือไม่ด่วนสรุปมันคืออะไรนะต้องทดลองทดสอบแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนมาที่นี่เนี่ยพวากูสอบอารมณ์แล้วเนี่ยส่วนมากมีแต่นักเรียนแบบวิทยาศาสตร์ปฏิเสธไว้ก่อนเลย อะไรที่ฉันไม่รู้ฉันก็บอกว่าไม่ใช่ก่อนนักวิทยาศาสตร์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องด่วนอย่าด่วนสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่เชื่อเราต้องมีหน้าที่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่นวัตวิทยานักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่เวลาวันสองวันที่พวกครูดูดวงจิตตรงนี้มาเป็นปีนะสมบุกสบัน บอบช้า ม, มากเลยแต่ก็ยังไม่หนีนะก็วันก่อนมีโอกาสสนทนาธรรมเนาะยังไม่เรียกเลยเดินขึ้นมาแล้วเห็นไหม <laughs> <laughs> เห็นไหมรู้ตัวเลยยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยรู้เลยว่าต้องมามอบตัวนะ <laughs> อาจารย์อ้อยเชิญเชิญนะเออเมื่อวันก่อนคุยกันที่ห้องครัวนะอาจารย์อ้อยเนี่ยบอกว่า ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเขามีปฏิฐานว่าเขาต้องทําอะไรที่อะไรล่ะเป็นศักยภาพสูงสุดของมนุษย์นะเขาต้องเลือกเรียนอะไรวิชาที่มันมีศักยภาพสูงสุดของมนุษย์นะแกพูดอย่างนี้หรือเปล่าคล้ายๆอย่างนี้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกพูดใหม่เองว่าคํานี้จริงไหมเพราะครูโจทย์นี้ถูกแล้วยิ่งตอนเด็กๆคิดแบบนี้มันคิดจากปัญญา แต่พอโตขึ้นจริงๆนี่มันคิดจากความรู้แลวเขาก็บอกเขาว่าวิชาที่เก่งที่สุดนะสกิภาพสูงสุดของนักคือวิทยาศาสตร์อาจารย์อ้อยเลยไปเรียนวิทยาศาสตร์นะที่ผ่านมาเป็นอาจารย์สอนปริญญาเอกปริญญาโทที่มหาลัยต่างๆนะนะแต่ตอนนี้อาจารย์อ้อยก็มีภาระส่วนตัวคือไปไหนต้องหิ้วออกซิเจนไปด้วย ก็ถามอาจารย์อ้อยนะเดี๋ยวเดวจะพูดให้ฟังมาทําไมเชิญอาจารย์อ้อยขึ้นบนของนิญาอาจารย์อ้อยนั่งข้างบนนะก็คือคือจิตเรารู้อยู่แล้วต้องหาอะไรที่มันมีศักยภาพสูงสุดของมนุษย์แต่แทนที่จะไปวิจัยเรื่องมนุษย์นะกับไปวิจัยเรื่องวัคซีนคือคือตั้งโจทย์ถูกแต่เวลาไปเรียนหรือเวลาไปทำเนี่ยก็ทําคนละเรื่องแต่เขาก็มีข้ออ้างว่า ก็วักวัคซีนมาช่วยมนุษย์ไงโอเคมันมีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ศักยภาพสูงสุดศักยภาพสูงสุดของมนุษย์มนุษย์ที่เป็นชายชาติอาชาในไม่ใช่เรื่องผู้ชายนะจิตอาชาชาใที่ยิ่งใหญ่มากแล้วสามารถแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะนะสูงสุดของมนุษย์คือนิพานอาจารย์อ่อยฟังและะ้วก็ตีอกตัวเองนะ ตีอกก็ไม่รู้ว่าตีทําไมเดี๋ยวให้แกพูดเองกัแล้วกันเนาะกล่าวในวัสการพระคุูเจ้าค่ะกล่าวใรพครูค่ะกลาวสมัคการแม่ชีสวัสวดีญาติธทําทุกท่านนะคะคืออ้อยอยู่นี่มาปีหนึ่งอะ่ะอ้อยโดนทุกวันเลยอะ่ <c ười> ะคือเวลาคุยกับพ่อครูอะ่ะเหมือนกับโดนยิงอะ่ะแล้วตัวก็เป็นรูๆแล้วเราไปกินน้ําก็ไหลออก กินน้ำไม่เคยอิ่มสักทีคือหมายความว่าสิ่งที่พ่อครูพูดทุกวันนะ่ะทั้งเทศทั้งคุยกับอ้อยคนชอบถามทำไมพี่อ้อยชอบคุยกับพ่อครูจังก็มันไม่รู้เรื่องอะ่ะหมายถึงว่าเวลาคุยกับพ่อครูพ่อครูพูดเรื่องที่เราเกิดมาแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเก็ตไหมคือสิ่งที่พ่อครูพูดเนี่ยอ้อยรู้สึกว่า คือเอางี้เวลาเราเราฟังอะไรเนี่ยหรือใครพูดอะไรหรืออ่านหนังสือก็ตามดูทีวีอะไรก็ตามมันมีสองอย่างในนั้นอย่างหนึ่งคือความจริงอีกอย่างนึงคือความเห็น get ไหมเวลาอ่านหนังสือมันมีสองส่วนหรือฟังใครพูดก็ได้พูดกับเราส่วนหนึ่งที่เขาพูดเป็นความจริงอีกส่วนหนึ่งคือความเห็นแต่เวลาไอ้คุยกับพ่อครูฟังที่พ่อครูเทศให้ญาติธรรมฟังอ๋ออยู่มาปีหนึ่ง สิ่งที่เปล่งออกจากพ่อครูคือความจริงทั้งหมดเลยอ่ะก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้ในโลกเลยนะอ้อยชอบฟังคนที่เม s p e ป c h คืออย่างท่านโทนี่แบร์ท่านนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นคนที่พูดปากฐกถาแล้วคนฟังแล้วแบบชื่นชมมากอ้อยชอบฟังมากภาษาอังกฤษก็ดีเพราะหล่อด้วยออบุคลิกภาพดีมาก แล้วก็นายกรัฐทมนตรีของสหรัฐอเมริกาพูดเก่งทุกคนพูดเก่งมากๆจนอ้อยมาฟังพ่อครูปีหนึ่งเมื่อวันก่อนอ้อยออกไปทุลาที่เมืองอุบลอ้อยไปดูทีวีอ่ะอ้อยรู้สึกเลยนะสิ่งที่คนในโลกในทีวีทั้งหมดพูดอ่ะเป็นความไม่เห็นหมดเลยไม่เห็นมีความจริงตรงไหนเลยอ่ะเพราะอ้อยกลับมาอุบลจากอุบลเข้ามาทุกครั้งอ้อยต้องมาเรียนพ่อครูทราบว่าอ้อยไปเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้และสิ่งที่พ่อครูตอบกลับมาคือความจริงทั้งหมดเลย พ่อครูไม่เคยพูดเรื่องความไม่เห็นเลยอ่ะพูดแต่ความจริงแล้วก็ถามตัวเองโอ้โหแบบมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่สามารถพูดความจริงได้ตลอดเวลาคนนั้นมีศักยภาพสูงมากแล้วพ่อครูพูดเรื่องนิพพานอ้อยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเรื่องพ้นทุกข์อ้อยอาจจะเป็นคนแรกที่มาพลานันข่อยแล้วมาบอกพ่อครูแบบสีโล่ล่ า, าเออออาลย ว, ว่าไม่รู้เรื่องเลยพ้นทุกข์คืออะไรอืมแปลกไหมอ้ยพูดตรงๆแล้วอ้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ อ้อยเป็นักวิทยาศาสตร์เรียนหนังสือเรียนหนักมากแล้วก็คิดว่าอ้อยชีวิตนี้อ้อยอยากหาคำตอบตั้งแต่เด็กๆคำถามอย่างเดียวที่เราถามมนุษย์เกิดมาเราเกิดมาศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนศักยภาพสูงสุดของอ้อยอยู่ที่ไหนอ้อยไม่รู้นะว่าคนอื่นแบบถามอะไรตัวเองแต่อ้อยถามเรื่องนี้ตลอดเลย ไอ้ก็เรียนจบตั้งแต่จบปีนาตรีจนจบมาถึงปัจจุบันไม่เคยสอบได้ที่สองสอบได้ที่หนึ่งตลอดชีวิตเรียนที่เมืองไทยปีนาตรีปีนาโทก็สอบได้ที่หนึ่งตลอดไปต่างประเทศสอบชิงทุนรัฐบาลต่างประเทศ้อ้สอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะแล้วพอจบกลับมาเมืองไทยเราก็ยังรู้สึกไม่ใช่อะอืมคือทุนที่ว่ายากที่สุดในโลกอ้ก็สอบได้ที่หนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็เลือกเรียนวิทยาศาสตร์เพราะไอยคิดว่าคือ ตอนก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ถามตัวเองให้จะเรียนคณะอะไรดีที่บ้านเรียนหมอหมดเลยอะแล้วมาเรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้านก็เรียใจตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเราเด็กๆเราก็เลือกไปเพราะว่าไปคุยกับฝรั่งว่า อ, อวิชาอะไรที่มันยากที่สุดในโลกนี้ฝรั่งตอบวิทยาศาสตร์เป็นสายนิสส์เป็นนักวิทยาศาสตร์คือต้องเก่งสุดๆต้องฉลาสดสุดๆแล้วเราคิดว่าอ๋อวิทยาศาสตร์นี่แหละเป็น สาขาที่ท้าทายศักยภาพมนุษย์ที่สุดละแล้วเวลาดูทีวีอ่ะเด็กๆจําได้ไหมโอ้แบบสป็อกอะไรแบบไปอวกาศแล้วก็มีแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นมีหมอเลยเราก็อ่าวิทยาแล้วเลือกเรียนสาขาที่ยากที่สุดด้วยนะคือพันธุศาสตร์ศาสตร์แห่งพันธุค่ะพ่อครูอ๋ออยากรู้ว่าต้นต่อกําเนิดของมนุษย์ในโลกนี้มาจากไหนเรียนจนจบสอบได้ที่หนึ่งไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นมีคําตอบ ก็สอบชิงทุนไปเมืองนอกนก็อยากรู้อีกประเทศไหนยากอังกฤษอ่ะไปกลับมาเกิดพอดีเกิดโรคระบาดตอนนั้นโรคไข้หวัดใหญ่ที่คนไทยเสียชีวิตเร็วๆๆๆมากๆนี้ค่ะก็ไปเรียนวิชาที่ยากที่สุดในสาขาการแพรย์คือวัคซีนหมอเนี่ยอ้อยก็อ้อยก็เขาลงหมอทุกคนนะแต่คอนเซปต์อ้อยคือหมอรักษาได้ทีละคนอ้อยอยากเรียนวิชาอะไรที่รักษาคนทั้งประเทศไทยอ้อยเป็นคนไทย เราสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนการผลิตวัคซีนโรงงานวัคซีนที่ผลิตที่ประเทศไทยเป็นโรงงานแรกที่ผลิตได้70ล้านโดสสำหรับทุกคนทุกคนในศาลานี้ทุกคนในประเทศเราก็รู้สึกแบบอันนี้มัง่งศักยภาพสูงสุดของมนุษย์แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นคนตายเยอะมากได้ทำงานเร่งเรงเรงอ้อยเสร็จโปรเจกต์ด้วยการสร้างโรงงานวัคซีนด้วยเครื่องหายใจอะ่ะ อแล้วก็ลาออกเพราะเขารู้สึกว่าไม่ใช่คําตอบที่ทํางานไม่รู้ว่าอ้อยใส่เครื่องหายใจพ่อครูอ่ะเป็นคนแรกที่พูดใส่ไหม่ว่าอ้อยใส่เครื่องหายใจทีมงานที่ทํางานหัวหน้างานไม่มีใครรู้เลยนะคะพ่อครูตราบใดที่เขายังไม่มาพาลานคอยเขาจะยังไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าอ้อยป่วยเอ้อยทํางานเต็มที่แล้วจะลาออกตั้งสี่ครั้งกว่าเขาจะยอมให้ลาออก เขาก็บอกเออเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ น, น้นีโนนก็แง่ละก็เข้าใจอยู่แต่มันมันไม่ได้คำตอบอ้อยมาพารนคอยโดยบังเอิญลาออกเพราะอ้อยอ้อยป่วยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ที่อ้อยเรียนอ้อยคิดว่ามีอ้อยเชื่อมันว่ามีเพราะว่าเพราะว่าพระอาหารในโลกนี้ เวลาฟังท่านพูดมันมันประทับใจพูดไม่ถูกซาบซึง้งแล้วก็สิ่งที่ท่านเปล่งออกมามีแต่สิ่งที่ที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงทําให้เราอยากให้แล้วสิ่งที่พ่อครูพูดก็เป็นแบบนั้นตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่อ้อยมาพ่อครูพูดเลยอุปทานอ้อยไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์อย่างอ้อยเชื่อหรออ้อยก็เถียงเลยเถียงพ่อครูบอก ไม่ใช่อุปทานหรอกอ้ยอยมีผลแ l a บนะอ้อยเป็นนักวิทยาศาสตร์ผล lab จากโรงพยาบาลเอจับเอยไปตรวจเนี่ยมีผลเลยว่าอ้อยผิดปกติแน่นอนอ้อยถือเครื่องหายใจมา13ปีแล้วนะกลางคืนถ้าไฟดับนี่พี่ปุกนอนไม่หลับเลยพี่ปุ๊กจะเป็นห่วงอ้อยมากอืหิวเครื่องขึ้นเครื่องบินก็ไปทํางานด้วยเครื่องหายใจนะไม่มีใครรู้เพราะอ้อยแบบ Executive เอ็กซิคูทีฟอ้อยนอนคนเดียวที่โรงแรมไม่มีใครรู้อ้อยป่วย อาการนี้จะออกตอนกลางคืนเท่านั้นทั้นตอนกลางวันที่อ้อยนั่งกินข้าวเรื่หัวเราะเสียงดังมากเนี่ยนะไม่มีใครรู้หรอกว่าอ้อยป่วยในศาลา น, นี้อ้อยป่วยที่สุดตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่อ้อยอยู่เข้าภรษาปีที่แล้วเข้าภาษาที่หนึ่งเข้าภาษาดีเป็ น, นภาษาที่สองอ้อยยังไม่เห็นใครป่วยเท่าอ้อยเลยอืคนที่ป่วยที่มาพารานคอยนะแบบ ให้กำลังใจนะถ้าตามใดที่อ้อยยังเดินอยู่เล่นหัวเลาะได้อ่ะพวกท่านปลอดภัยแน่นอนถ้าคนตายที่พะรันขอยอ้อยตายคนแรกแต่ยังไม่เห็นตายเลยนี่ใช่ไหมเต้นกระหน่มแล้วก็สิ่งนั้นก็ยังค้างอยู่ในใจนะว่ามนุษย์เนี่ยศักยภาพสูงสุดคืออะไรอ้อยก็ทำงานหนักเรียนหนักอ้อยก็ไม่ค่อยเจอใครหรอกหมายถึงว่าไม่ค่อย คื อ, อยเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคําตอบเพราะฉะนั้นอ้อยก็สแสวงหานักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกก็คนนั้นละค่ะสตีเฟนฮอว์กินเขาเป็นคนที่หลังจากไอซายแล้วเขามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเป็นคนอังกฤษเก่งมากๆเลยไม่กะเครเวอร์ถามอะไรตอบได้หมดเลยเขาเรียนวิชาฟิสิกส์เขาค้นพบกําเหนิดของจักรวาลโอ้ก็มาเล่าให้พ่อครูฟังมีอะไรก็เล่าก็โมด้ดอ้อยอะมีอะไรก็เล่ า, ลาให้พ่อครูฟังทุกอย่างเลย อ้อยช่นชมคนนี้แต่ร่างกายเขาพิการทั้งตัวเลยอ่ะเหลือแต่ตาก็พีปิ๊ปปี๊ปปปอ้อยังรู้สึกว่าอ้อยแข็งแรงกว่าสเตเฟนหอกินตั้งเยอะพ่อคุยก็บอกโอง่สุดๆเลยซื้อตัว๋วเครื่องบินไปเดี๋ยวพ่อคุณจะไปด่ามันว่ามันโง่ว่ากเลยอ้อยก็เอพอพ่าคุณพูดอย่างนี้ทําไมพ่อครูพูดอะไรอ่ะแบบคือมึงอ้อยยังคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าพ่อคุณคิดแบบนั้นได้ยังไงสิ่งที่พ่อคุณพูดแบบตรงข้าวกับ ความรู้ความเห็นอะไรทุกอย่างของอ้อยตั้งแต่เกิดมาเลยอะ่ะนั่นเป็นเหตุผลทําไมอ้อยอยู่จนถึงควันนี้เพราะไม่เคยเข้าใจเลยที่พ่อครูพูดซากอย่าง <c oughs> อ้อยเรียนแบบอ้อยอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะเป็นหมื่นๆเล่มแล้วนะจริงๆอ้อยอ่านหนังสือเยอะอ่านเร็วด้วยอืมแต่สิ่งที่พ่อครูพูดอะ่ะไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็สังเกตโอ้โหแบบคนมาพลานข่อยนี่แบบเฮฮาอะ ขณะที่อ้อยทำงานหนักอ้อยเครียดเครียดอย้อยรู้สึกว่าเอออันนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่แปลกแตกต่างไปกว่าที่อ้อยเคยใช้ชีวิตมาแต่ที่สําคัญที่สุดคือพ่อครูแปลกแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับวิทยาศาสตร์ที่อ้อยเรียนมานะคะเมื่อวันก่อนอ้อยยังเรียนพ่อครูเลยเวลาพ่อครูพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ว่านักวิชาสต้ตองให้เก่งแค่ไหนก็เป็นลูกจ้างไม่เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยก็เป็นลูกจ้างของ บริษัทของคอมพานีไม่มีอิสระอย่างแท้จริงโอยโดนอ่ะคืออ้อยบอกตัวเองนะต่อให้อ้อยแบบเก่งสุดๆทําอีกร้อยโรงงานอ้อก็ยังเป็นลูกจ้างรับคําสั่งจากใครบางคนพ่อครูบอกว่าถ้าเราอิสระอย่างแท้จริงเราไม่ต้องรับคําสั่งอืมเราอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างอืมนั่นล่ะค่ะแล้วก็อ้อยก็สะบักสะบอมอย่างที่พ่อครูว่าคือ เขอยู่นี่มานี่เดือนที่สิบสามอ้อยป่วยหนักสิบสามครั้งพอดีเลยเฉลี่ยทางสถิติเดือนละหนึ่งครั้งเจ็บหนักมากเดินไม่ไหวบวมแบบครั้งแรกที่อ้อยเจ็บหนักก็มีคนไปเยี่ยมเต็มเลยคนก็จะชอบอ้อยมากเพราะว่าอ้อยเต้นแรงพออ้อยมาคนก็จะชอบเชียร์อะไรเงี้ยแล้วพอหายปุ๊บคนรู้เลยว่าอ้อยไม่มาศาลาอล้วถามพี่ปุ๊กพี่อ้อยไปไหนบอกพี่อ้อยไม่สบายคนก็จะไปเยี่ยม อืมแล้วคนก็ถามว่าเป็นอะไรบอกเจ็บซี่โครงเจ็บมากเลยเจ็บเหมือนคนเอามีดมาเสียบที่ซี่โครงอ่ะแล้วพ่อคูก็บอกว่าถ้าเต้นที่เต้นอยู่อ่ะมันไม่ทําให้เจ็บขนาดนั้นอ้อยก็โอ้โหอะไรเนี้ยนาวาดก็ไปน้วาดเป็นพยาบาล น, นาวาดก็บอกว่าพี่อ้อยจะมาปฏิบัติที่พลานคอยให้รู้อย่างหนึ่งนะการเจ็บป่วยไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นลอยๆมีเหตุของมันเนี้ยเนี่ยคือผล แล้วมันมันก็เป็นอุปทานด้วยมันไม่เจ็บจริงกระเถียงแล้วว่าเจ็บจริงอ่ะเจ็บจริงจริงด้วยนะไข้ขึ้นบวมชึ้นเลยอ่ะอืแล้วก็เดินออกมาเจอพ่อครูพ่อครูครชีนะ้หน้านี่เหรอคนไข้หั ว, หวลอกได้ทั้งวันเลย <laughs> คือแบบยังไงอ่ะเจ็บแต่มันก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเก็ไอ้อไหมการอยู่พลรานคอยมันจะไม่ไอยรู้สึกว่าอาืม ความเจ็บหนักอันนั้นครั้งแรกนะแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครั้งหนึ่งสองสองวันมั่งห้าวันเก้าวันอะไรเงี้ยพี่ป้านะอาไปแวะเอาขนมมาแล้วไปให้ตึมเลยแล้วก็คุยเ hey, ฮจนข้างๆห้องไอ้ห้อนี้มันป่วยจริงเปล่าเนี่ยจริงเอ้ยแบบห่ามาเวลาเอ้ยป่วยเพราะว่าแบบคนมาก็จะถามนู่นถามนี่ก็คุยกันแล้วก็มาเรียนพ่อครูบอกพ่อครูคะทุกมันคืออะไรวะก็แบบไม่เห็นจะทุกเลยอืมการเจ็บหนักไม่ใช่ทุก คอนเฟิร์มใครเจ็บหนั ก, นกแล้วทุกข์ไม่ใช่อ้อยสุกสิ่งนั้นนะเราเจ็บแต่เราไม่ทุกข์ได้คอนเฟิร์มอ้อยเชื่อพาอครูบอกว่าอ้อยยังจะเจ็บต่อไปจากนี้อีกเยอะๆอ้อยก็เชื่อพอครูแต่อ้อยไม่กลัวคือมันไม่ใช่ว่าเราเก่งนะเราเป็นฮีโร่หรือว่าเราเชื่อว่าอ้อแบบเราไม่มีทางรู้สึกทุกข์ได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ใช่ท้าทายนะ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละครั้งเนี่ยเข้าพรรษานี่สงสัยเดี๋ยวอีกไม่นานคงเจ็บอีกเนี้ยคือคือเราความรู้สึกว่าเออเ อ, อเดี๋ยวเจออย่างเงี้ยมันไม่ได้กลัวแบบว่ากลัวมากๆากอ่ะมันก็กลัวในระดับธรรมดาแต่เวลามันเจ็บมากๆสําหรับอ้อยอ้อยชอบไม่ได้เป็นโรคจิตนะคะคือเวลาเจ็บหนักมันได้อยู่คนเดียวเป็นระยะเวลานานาหลายๆชั่วโมงบางทีเก้าวัน ทุกคนมาปฏิบัติศาลาหมดอ้อยอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเจ็บหนักมากๆเกิดไ ม, ไม่เคยเจ็บขนาดนี้เลยก่อนเข้าพลรานคอยก็เจ็บนะคะพรอครูแต่พอมาอยู่พลรานคอยมันหูมันเจ็บสุดๆเลยอะเจ็บจนแบบไปตายไปเลยดีไหยอะไรเงี้ ย, ยแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนไม่เห็นตายทีแปลกมากๆอ้อยเป็นนักวิทยาศาสตร์อ้อยอยากรู้ตัวอย่ากของอ้ย อ, อย ก, ก็อยากรู้ค่ะพรอครูอยากรู้นั่นรู้นี่อยากรู้เหตุผล พวว่อครูบไม่ต้องอยากหรอกทาไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็รู้เองเขาขัดใจไงก็อยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันทำไมแต่ยิ่งอยากนะเพยิ่งไม่เข้าใจต้องเต้นอย่างเดียวเต้นเห็นทุกคนเห็น้อยเข้าจิตใช่ไหมเต้นๆไอ้จะเต้นแรงพ่อคูบอกว่ามันเป็นพเพราะไอ้เป็นนักวิทยาศาสตร์อ้ยึดกับอะไรแน่นมากๆถ้าทาง ม, มันต้องออกมาแบบแรงถึงจะดึงส่วนนั้นออกมาได้ อ้อยก็รู้สึกว่าการเจ็บแต่ละครั้งอะ่ะมันเจ็บมากเลยแต่มันดีมากๆเลยอะ่ะไม่รู้จะพูดว่าไงคือโดยเฉพาะตอนกลางคืนประมาณตีสองเนี่ยตีสองเป็นเวลาวิกฤตของอ้อยนะถ้าอ้อยตายอ้อยจ ะ, ต, ะตายประมาณตีสองจริงจริงจริงมันเป็นสถิติของคนเป็นโรคนี้อ้อยเป็นโรคภาษาอังกฤษเรียก Sleep Apnea ภาษาไทยเรียกโรคนิทรามรณะ ตอนนอนคืออ้อยหยุดหายใจทุกๆหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นคุณภาพการนอนอ้อยแย่มากเช้ามาอ้อยก็จะเป็นเหมือนผีดิบอ่ะอืมแต่อ้อยมาที่นี่อ้อยไม่ได้รู้สึกว่าอ้อยมารักษาร่างกายนะอ้อยรู้สึกว่าคนที่มาพูด ก, กับอ้อยว่าอ้อยไม่ป่วยโอหแมนอ่ะเท hey, อ่ะไปถึงพ่อครูอ่ะวันนั้นอ่ะพ่อครูนั่งตรง น, นั้นใครใส่เครื่องหายใจคนรู้กันทั้งสาลาเลยอ่ะความลับนี้ปิดมาตั้งนานอ่ะ ไม่มีใครรู้เลยนะพ่อครูตะกูลถามดังลั่นเลยโอ้โหแรงอะ่ะนะรู้สึกแบบแล้วพ่อครูก็บอกว่าอไม่ได้ป่วยให้เป็นอุปทานนักวิทยาศาสตร์อย่างเราย่อมอยากรู้ว่าคําว่าอุปทานไปว่าอะไรถูกไหมเก็ตไหมเรารู้สึกว่าเราป่วยจริงเราหิวื่องหายใจสิบสามปีขึ้นเครื่องบินไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วมีคนคนหนึ่งบอกว่าอยู่ไม่ป่วยงงไหมแล้วให้คําตอบด้วยนะพ่อครูก็ให้คำตอบว่า ยู you, มีอุปทานอะไ ร, รอ่ะเก็ไหมพ่อครูให้แบบอย่างเงี้ยตลอดอย่างงี้องี้แล้วเราก็หาไปหาไปจนวันนี้ยังไม่เข้าใจอุปทานเลยปีกว่าแล้วแต่ไม่แคร์นะ อ, อ้อยว่าความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของอ้อยลดลงเรื่อยๆทุกวันทุกวันคือไม่ได้ไปหาว่ามันเหตุแบบนี้ผลแบบนี้ต้องช่างตวงวัดอะไรเงี้ยค่ะมาใหม่ๆมอ้อยหมุ น, น่ะ เราเราให้พี่เจียกับพี่โบฟังขณะที่หมูเร็วๆอ่ะสูตรวัคซีนออกมาเต็มเลยพ่อครูบอกเลิกคิดเลิกคิดไม่เห็นจะเลิกคิดได้ตรงไห น, นคือสิ่งที่อ้อยทําอ่ะมันไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะพี่ๆเข้าใจด้อยด้วยนะไอ้อเข้ามาในศาลาเอาแล้วสักยอา ท, ท, ทีไปว่าอะไรอ่ะวิกิตอะไรอะไรยังไม่เป็นเลยอะไรเนี่ยโอ้โหแบบแล้วพ่อครูบอกสิ่งเหล่านี้สามสิบเจ็ประการอ้อยก็นับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเออสามสิบเจ็ดแผ่นไม่เข้าใจสักอย่างเลยอ่ะ ออแต่ว่าไม่แค่นะไอ้เต้นกระหน่าพ่อครูบอกว่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องเข้าใจขัดกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งวิทยาศาสต้องอ่านทฤษฎีแล้วปฏิบัติวัดผลพ่อครูบอกไม่ต้องไม่ต้องพ่อครูพูดอย่างนี้ทุกวันเลยอะเอออ้ก็เชื่อพ่อครูเวลาไอ้เจ็บมีคนมาพูดว่าเออใช้ก ร, รม อ, อ้โกรธมากนอะในที่เนี้ยพูดกับไอ้หลายคนเลยใช้กรำใช้กรำโกรธมากเลยกลับเข้าห้องล็อกห้องใช้กรำเไม็นแบบนี้เหรอ พอเข้ามาสาลาพ่อครูเขาเจ็บมากเลยพ่อครูบอกใช้กรำค้าง <laughs> <laughs> คือมันแบบไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอะอจําได้เลยอะ่ะวันที่เจ็บว่าเดินแต่ก่อนสาลาไม่มีแบบนี้นะมีแค่สั้นๆแล้วมีบันไดชันมากเลยอะ่ะอ้ยขึ้นบันไดไม่ได้ต้องเหนี่ยวอะ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังเล้วก็เลยบอกว่าเออ อ้อยเดินเร็วไม่ได้นะคะแป๊บนึงนะคะอ้อยลงก็ไม่ได้อ้อยไปข้างหน้าก็ไม่ได้อ้ต้องหยุดแป๊บนึงแล้วเสียงนั้นก็บอกว่าอืมเป็นอย่างนั้นแหละพ่อครูคือแบบอ้อยมาด้วยความไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วสิ่งที่มีอย่างน้อยเป็นทฤษฎีให้อ้อยสาสิบเจ็ดเรื่องก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องสักอย่างแต่พ่อครูบอกไม่ต้องไปสนใจอืมสิ่งที่อ้อยทําคือซีดีที่พี่แอดเปิดอ่ะมาฟัง ทุกคําของพ่อครูที่พูดมีความหมายหมดเลยทั้งที่อ้อยไม่เข้าใจอ้อยแค่ทําตามเองอ้ออยยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งหลังเจ็บจิตใจมันตั้งแบบเขาเรียก อ, อะไรมั่นคงตั้งมั่นเนี้ยนะคะพ่อครูอื้ออยู่ป่วยเยอะนะอ้อยป่วยเยอะจริงๆทุกๆอวัยวะทุกๆอวัยวะอ้อยแทบไม่ทํางานละอือแบบเฟลหมดไตาฉีชช่เป็นเลือด แตเกสไลน์ n o มอลของคนปกติ200นะอ้อย700อ้อยต้องเยอะไว้ก่อนเยอะจริงๆเยอะมากแล้วพิษในตับอ้อยก็จะเยอะมากกว่าคนอื่นอ้อยกินอ้อยอาจจะโชคดีมากครอบครัวอ้อยมีแพทย์เก่งๆเยอะเขาให้ยาที่แรงที่สุดเท่าที่หาได้ในโลกนี้นะมาให้อ้อยกินเต็มเลยมีลูกสาวของพี่พันธ์ะพี่พันธ์ที่สูงๆน่ารักน บอกแม่หนูไม่นั่งหนูไม่เวียงใกล้ป้าคนนี้นะเหม็นมากกลิ่นยาที่ออกจากร่างกายอ้อยอะเหม็นสเวตติ้งอะเหงื่อที่มันออกมาเออแล้วก็ให้กําลังใจคนที่ป่วยนะคะที่เคยกินยาเวียงอะไรเดี๋ยวมันก็ออกเองอะ้มันก็เป็นเม็ดเมดที่ขาเราไปให้พ่อครูดูพ่อครูก็ขาเนาพ่อครูก็ชายตามองนิดนึงึเหวี่ยงหนักขนาดนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียได้เวลาแย่ yeah. คิดไหม คือพ่อครูคําตอบของพ่อครูแต่ละครั้งมันทาให้เรามั่นใจเวียงเวียงหัวจะหลุดเจ็บมากเลยโอ้ยนี่แบบหูยหัวนี่แบบแทบจะกิ้งอยู่ในสาล่ายอยู่ละเวียงพ่อครูคะหัวมันเวียงแรงมากเลยหูมันจะหลุดอยู่ละพ่อครูเดินผ่านหนึ่งวินาทีนะจะทําไมให้มันหลุดมาเลยเก็ตไหมคิดมากไงคิดเยอะคิดพิจารณาอยู่นั่นแหละเออไม่ไปไหน อบอกหัวจะหลุดอยู่แล้วพ่อหัวบอกว่าจะทำไมให้มันลงมาเลยอืมก็อย่างสรุปอยู่นี่มาปีกว่าเต้นแรงๆแล้วก็ไอ้วะไอ้ยก็ยังยากอยู่นะคะคนไทยยังอีกยาวไกล้อ้รู้ตัวแต่ว่าความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของอ้ยอ้ยเก็บข้อมูลทุกวันเพื่อนอาจารย์บางคน เพื่อนน้อยบางคนก็เป็นลองที่การบดีอ้อยก็อายุมากแล้วนะคะเพื่อนๆก็แบบระดับอ่าสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงมากว่ามาทําอะไรแปล ก, ปลกอ้ะอ้อยก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทําอะไรแปลกขนาดนี้เลยอยู่ที่พลรานคอยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้เรารู้สึกดีมากสิ่งสุดท้าย ก่อนตายอ้อยรู้สึกอ้อยชีวิตสั้นแน่สลิปแอปเนียไม่มีใครรักษาหายแต่ว่าไม่ได้มานี่เพื่อให้เพื่อให้เราหายจากโรคนะอ้อยก็ไม่รู้อ่ามาทำไมครูยโยคะส่งมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ที่รู้สึกมากๆคือการได้เห็นพ่อครูเดินอยู่ในศาลาเดินอยู่ในพลรานคอยอ้อยมีความสุขจริงๆแล้วทุกครั้งที่พ่อครูพูดกับญาติธรรมในศาลาหรือพูดส่วนตัวกับอ้อยจะ แต่พูดอะไรที่อ้อยไม่เข้าใจทุกวันทุกวันเนี่ยมีความสุขมีความสุขไม่รู้เรื่องเลยนะอืมใช้กลค่ะก <c oughs> ็ cott, ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แปลกไหมอ้อยไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่สิ่งนี้ทําให้อ้อยเต้นแรงขึ้ น, แ, นแรงขึ้นทุกวันอ้อยกลัวไหมอ้อยกลัวนะยอมรับเลยเ พ, พ่อครูบอกว่าอย่าสงสัยอ้อยก็สงสยัยอยา ก, กลัวอ้อยก็กลัวอย่าขี้เกียจอย่างเดียวที่อ้อยทําได้คือว่าไม่ขี้เกียจอ้อยทําเต็มที่ กลัวไมมกลัวสุดขีดเห็นท่าไอ้ฟ้าตอนบ่ายไหมโหสุดๆเลยเจ็บมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องไปเจ็บอีกอืมกลัวไม่กลัวแต่มันก็ทำไปเรื่อยๆเนียค่ะก็นะค ะ, นะคะอยู่มาปีกว่าก็รู้สึกมันดีแล้วก็พวกอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ถามว่าทำอะไรอยู่แลก็บอกแบบที่พ่อครูบอกค่ะพ่อคอรูสอนไว้ว่าให้ตอบเขาแบบเนี้ยก็ตอบแบบนี้กำลังทำวิจัยอยู่ <laughs> อย่าง ยังไม่ต้องมาถามผลมเก็บข้อมูลอยู่โปรเจก tn ี้อีกยาวนาน <c oughs> เดี๋ยวรู้คําตอบเดี๋ยวไปบอกตอนนี้ยังไม่รู้ทําไปเรื่อยๆแล้วไม่สนใจใครจะเป็นยังไงอ้อยก็ทําของอ้อยไปเพราะอ้อยตอนอ้อยมาอ้อยรู้สึกว่าจะอายุสั้นนะคะอ้อยก็เลยไม่ค่อยอะไรกับใครแต่มันกลับเป็นผลดีนะเพราะตอนป่วยมันได้อยู่คนเดียวอ้อยเคยอยู่คนเดียวก้าวัน ไม่ต้องคุยกับใครอ่ะแล้วก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขามาขออนุญาตพ่อครูเข้ากรรมอ้อยก็บอกอ้อยไม่ต้องขออนุญาตอ้อยเข้าไปเลยเก้าวันไม่ต้องพูดกับใครน้ตุ่นเอาข้าวต้มมาส่งเสร็จนตุ่นก็ไปเดี๋ยวคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็เอาข้าวมาส่งเสร็จอ้อยออ้ยก็อยู่คนเดียวเกิดมาอ้อยไม่เคยอยู่คนเดียวแบบแบบนี้อ้อยมีแต่ทําวิจัยให้ความเห็นอ้อยสอนปริญาเอกในเมืองไทยด้วยตอนอ้อยกลับมาเมืองไทย ว่ไม่ได้อยู่เมืองนอกนานนะคะไปไปกลับแต่ว่าสาขาวิชาที่อ้อยเรียนมันหาคนเรียนยากอ้อยชอบทําอะไรแปลกๆอยู่แล้วอเนื้นเวลากลับมาเมืองไทยพวกอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าขอให้อ้อยไปสอนหน่อยอ้อยก็บอกสอนอะไรอาจารย์ก็บอกว่าสอนปริญาเอกอ้อยก็ไปสอนแล้วพอเข้ามาสองสามเดือนพ่อครูก็บอกว่ามันน่าสมเพศไหมพ่อครูใช้คํานี้นะอ้อยจําได้สอนไปฮิ้วเครื่องออกซิเจนไปอ่ะ มันน่าภูมิใจตรงไหนอ้อยก็อ้อยภูมิใจอ่ะอ้อยก็ยังภูมิใจอยู่อ้อยก็เรียนพ่อครูตรงๆทุกครั้งอ้อยเรียนพ่อครูหลายเรื่องอันที่หนึ่งอ้อยไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติอันที่สองอ้อยไม่เชื่ออนาคตชาติอ้อยเชื่อชีวิตปัจจุบันเท่านั้นอ้อยเคยเรียนถามพ่อครูวการที่อ้อยไม่เชื่อสองเรื่องนี้มีเป็นอุปสรรคต่อการ อยู่พลาราน่อยไหมพ่อครูบอกไม่เกี่ยวสิ่งที่เอ้มีทั้งหมดไม่เป็นอุปสรรคทำไปเลยแต่นานและเจ็บพ่อครูบอกเอ้กโอ็โอเคอืมไอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าอ้ยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็วกพยายามกลัวให้น้อยลงแต่มันยากสำหรับเอย้ยากมากค่ะ เพื่อนญี่ปุ่นอ้อยมาเจ็ดวันน่ะกลัวสุดขีดเลยบอกให้พ่อครูบอกว่ารับตา close your eyes รับตาพ่อครูเดินไปป๊บลืมตาลืมแบบอย่างนี้เลยด้วยดูทุกคนเลยอ่ะถ้าถามเขาชื่อเอบิป้าแขกเรียกมิมิเป็นชื่อความกลัวของอ้อยลึกมากอ้อยเข้าใจว่าอ้อยกลัวแล้วสงสัยไหมอ้อยสงสัยตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์สอนมาให้สงสัยและหาคําตอบ อ้อยกำลังทำวิจัยอยู่ไม่ต้องก็ถามผลสน <t od g> ดกดีเขาขึา้นค่ะสาธุาคำว่าอุปทานวันนี้ก็มีคนถามพาะกูว่าอุปทานคืออะไรคือคิดเอาเอง แล้วทำไมโลกเราเจ็บอย่างนี้เราอุปทานอย่งมันก็เจ็บจริงๆไง <foot. S 1> เจ็บจริงๆไงก็เจ็บจริงๆแล้วยังไงล่ะก็ให้มันมเจ็บสิก็อย่าไปทุกข์กับมันไงที่เราทุกข์นั่นเป็นอุปทานที่เรารู้สึกทุกข์กับมันเป็นอุปทาน hours. เพราะเราเข้าใจว่าเราชอบสุขนะเราชอบสบายไงแต่ถ้ามันเจ็บเราก็รู้สึกทุกข์ไงไอความรู้สึกทุกข์กับมันนี่เป็นอุปทาน hours. เจ็บแปลว่าเจ็บไม่ได้แปลว่าทุกข์ซะหน่อยหนึ่งก็เมื่อเช้าถามบ๊กคุยว่าอุปทานบากคุว่าเอาละ่ะเคยเห็นผีไหมไม่เคยเห็นกลัวผีไหมกลัวผีนี่คืออุปทานไงเกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยแต่เร า, าถูกเอาผีมาคู่ว่าอย่าออกนอกบ้านนะมืดๆเดี๋ยวผีมันมาหลอกเห็นไหมมันก็เกิดอุปทานขึ้นแล้วก็กลัวผีผีมันหลอก ไม่ใช่ผีจริงใจเราเองเนี่ยมันเกิดอุปทานมันหลอกเราเองพอเขาเรียกผีวิ ผ, ผ, ผีบางทีเห็นบางไม่เห็นบางบังเอิญความกลัวปุ๊บผ่านเป็นมองเป็นนี่ไม่เป็นผีเลยเนี่ยทีนี้กลายเป็นโรคผีหัวโขนผมร่วงหมดเลยเห็นไหมอุปทานตรงนี้เนี่ยพอมันกลัวปุ๊บมันจะหลั่งสารอย่างนึ่งขึ้นมาเนี่ยกระทบทางกายภาพจนผมร่วงหมดผีมันทําอะไรเราไม่ได้มันเป็นผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริง ผีจริงๆมาอยู่ในใจเรานั่นแหละใจเรามันหลอกอุปทานเรามันหลอกไงผีมันทํำเรามันได้ถ้าดีนะถ้าผีมันทําอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวพวกเราต้องมาเลี้ยงผีกันไปยึดประเทศหลายประเทศเลยเอาผีไปยึดเนะี่ยยมบาลยังทําเรามไม่ได้เลยมันผีมันจะทำเราได้ใช่ไหมนี่คืออุปทานพระอาจารย์หลวงพี่นกนะตอนแรกท่านมาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้บวชไง เป็นโรคลมชักนะไม่กี่วันก็ชักทีหนึ่งไม่หวนก็ชักทีหนึ่งไปรักษาหมดเลยไปเอ็กซเรย์อะไรก็หาไม่เจอแล้วลูกคุณหมอคนหนึ่งที่มุกดาหารก็เป็นโรคหอบหืดเนาะพ่อครูก็ถามคุณหมอเองคุณหมอก็เป็นหมอเด็กด้วยเอาสาเหตุมันเป็นอะไรนะออบอกว่า เส้นอะไรล่ะหลอดลมมันเล็กอะไรก็ช่างแล้วก็รักษาไม่ได้ก็ฉีดพ่นยามาตลอดชีวิตมาหายที่นีน่ตอนนั้นก็จบปัญญาตีใหม่ใหม่าหายจุลาคุณหมอก็มาฝากพระครูเจ็ดวันเขาก็กลับพอวันที่เจ็ดเขามารับอยู่ในสารานี่แหละ เขาก็แสดงอาการหอบผือในกรรมฐานเพราะครูนั่งคุยกับญาติโยมอยู่ที่ศูนย์อาหารตรงอาหารมีคนวิ่งไปบอกพระครูเนี่ยเ ข, เขาชื่อเกมเนี่ยเกมมันมีอาการแบบนี้พ่อครูถามว่าป้าแขอยู่นั้นไม่อยู่ไปบอกป้าแขบอกให้มันตายเลยนะเพราะพ่อครูคิดได้ <c oughs> เดี๋ยวเอกเกมปฏิบัติเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายหรอก <c oughs> เดี๋ยวพ่อแม่ตายก่อน พ่อครูก็เดินมาสาลาจริงๆคุณหมอนั้นก็เอายาพ่นไปพ่นอยู่ในกรรมฐานเลยนะแม่เขาเนี่ยเดินไปเดินมาทุกข์มากนะพราครูมาพ่อะกูก็ไล่หนีไปหรอกบางเอิญเขาอยู่กับพกก่อครูเจ็ดวันเขามีศรัทธาบอกเกณตายเลยลูกเห็นไหมใครๆจะรับได้เนี่ยมันกาลังจะตายไปเชียร์ให้มันตายอีก <laughs> บางเอิญมันเขาศรัทธาไง เขาเชื่อมั่นเขาก็ยอมตายเขาตายนอนลงเลย ค, คุณตูนคุณตูนนี้ก็เป็นพี่สาวคุณนกเกี่ยวเหรอเนี่ยซ่านหมดเลยแต่เนื่องจากเขาก็ศรัทธาพระคุณระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าคุณตูนเองเป็นโรคกระเพาะก็ามาปฏิบัติแล้วก็มันหายแล้วคุณหมอก็ปฏิบัติก้าวหน้าระดับหนึ่งก็ถึงมาฝากไงพราะครูเดินมาหลังจากเกมเขาตายนอนอยตอนตายพระครูก็นั่งคุย คุณตู่ก็มองใหญ่เลยมองใหญ่เลยลูกตัวเองตายแล้วเปล่าทีนี้สักพักหนึ่งเกมก็ลุกขึ้นมายิ้มเลยคุณตู่ก็พูดความทั้งหมดเลยว่าเมื่อกี้นี่แกคิดว่าพ่อครูบัญชาเป็นใครเพิ่งรู้จักไม่นานเลยเอาชีวิตลูกเราเนี่ยมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหาคนรับผิดเลยนะพ่อครูบอกคุณตู่อันนี้เขาตายปลอมนะี่ยังทุกข์ขนาดนี้ถ้ามันตายจริงนะคุณตู่เป็นยังไงเห็นไหม พอเกมเขาเดินมาคุณตู่ถามลูกเป็นยังไงลูกสบายๆจะนั่งต่อหรอนั่งสิแม่ <c oughs> จากวันนั้นถึงวันนี้สิบสองปีเกมไม่เคยมีอาการอีกเลยแล้วไม่เรียกว่าโรคอุปทานโรคอะไรแค่มันยอมตายแล้วมันล้างอุปทานานั้นสิิงถ้าถ้าเป็นเรื่องกายภาพจริงๆมันจะหายได้ยังไง หลวงพี่นบเหมือนกันอันนี้หลวงพวกเป็นลมชักเลยล่ะพวกเราปั้มหลวงพี่นบนี่ไม่รู้บางทีกลางดึกเลยก็ต้องเรียกกันมาเห็นไพราะรักษาอย่างไรวิสัยก็ไปเอ็กเซเรย์แล้วอะไรก็หาสาเหตุไม่เจอไงมันไม่เกี่ยวกับกายภาพแต่พอถึงเวลาก็ต้องชักถึงเวลาก็ชักชักจนกัดฟันกัดลิ้นเลย ก็รักษากันไปหมดแล้วไงใช่หมทีนี้ปัจจุบันนี้หลวงพี่ไม่ใช่มันหายขาดนะพอมันจะเกิดลมชักปุ๊บนี่หัวใจจะสั่นเลยนะถ้าอินทรีย์พละของจิตเราไม่พอเนี่ยล้วก็ถูกมันดึงเข้าไปเราก็ชักตามมันแต่ที่ีหลวนพี่นี่ยเขาเห็ น, นมันเกิดขึ้นอีกแล้วเขาเห็นก็สักแต่ว่าเห็น เขาไม่ง่ที่จะไปชักตามมันอีกเพราะเขาชนะอุปทานตัวนี้แล้วไงถ้ามันเป็นกายภาพอยู่เราทำอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ไม่เรียกว่าอุปทานคืออะไรเขาไม่ให้อาจารย์อ้อยตายไวๆหรอกเขาไม่ให้อาจารย์อ้อยไปติดตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนคนติดยานี่แหละสมมาิเราติดสามเสร็จติดเนี่ยถ้าไม่กินยามันก็ลงแดงไง ตอนนี้ร่างกายเรามันติดออกซิเจนไงมันเป็นความเคยชินแรกๆมันก็เป็นโรคแต่ น, นั้นอยู่แต่โลกนี้ก็คืออุปทานเหมือนเก่าสู้ต่อไปเขาไม่ให้อาจารย์อ้อยตายไวๆหรอกเราก็ต้องวิจัยเรื่องนี้ให้มันเสร็จก่อนบรรจุพันธพ่อครูจะได้สมบูรณ์พิสูจน์ให้มันรู้ชัดๆเลยว่ามันเป็นยาวิเศษจริงๆ มันเป็นธรรมะโอสถเป็นยาพุทธเจ้าพวกครูเคยไปบรรยายมุกดหารโรงพยาบาลหมอพยาบาลก็มานั่งฟังพวกครูต้องจี้ตอมโกรธก่อนให้เขาไม่พอใจไม่งั้นเขาไม่สนใจพวกครูพวกครูคุณหมออย่าหลงตัวเองนะคุณหมอไม่ได้เก่งหรอกเดีย๋ยวว่าจะโรคมะเร็งโรคเอดเลยรักษาไม่หายโรคไข้หวัดก็ไม่ได้หายขาด กินยาแล้ ง, งับหายปุ๊บเดี๋ยววันหลังก็เป็นอีกปวดหัวก็ไม่หายขาดโรคภูมิแพ้ก็ไม่หายขาดไงไม่ได้เก่งนะแต่ไม่ใช่คุณหมอไม่ดีแต่วิชาการแพทย์มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ไหมถ้าคุณหมอรักษาหายขาดแล้วคุณหมอจะมีงานทำหรอมันก็เป็นอย่างนี้ไงไม่ใช่คุณหมอผิดนะขบวนการทุนนิยมมันเป็นแบบนี้ไงคือพูดให้คุณหมอโกรธก่อน ทีนี้พ่อ ก, กูก็บรรยายทำแล้วถ้าใครไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกินยาพุทธเจ้าหายขาดไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายอยีกต่อไปคําถามมาเต็มเลยค่อยๆพ่อ ก, กูบ้าทําได้จริงๆถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอย่าเกิดเด็ดขาดทําได้ ถ้าเกิดปุ๊บบางทียังไม่แก่ก็ตายแล้วบางคนยังไม่เกิดด้วยนะอยู่ในท้องแม่เขาก็ะแทงแล้วห้ามกลับคืนมาเด็ดขาดถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ใช่พูดเล่นลิ้นเล่นลิ้นทาได้พาอครูเอาชีวิตพวกครูเนี่ยทดลองทดสอบนี่คือนักวิยาศาสตร์จริงๆนะ ไม่ใช่นักเรียนแบบวิทยาศาสตร์ที่ซีเดันไม่รู้ฉันก็ปฏิเสธไว้ก่อนนั่นอันนั้นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จริงๆต้องอย่าด่วนสรุปว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เชื่ออย่างตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นะเขาคาดคะเน ว, ว่าบั้งไฟพญานาคนั่นที่น้องคายนั่นมันเป็นแค่ปรกริยาทางเคมีอะไรของเขาเนี่ยคุณไม่เคยทําให้เขารู้เลยเห็นเลยว่าคุณทําได้ไอ้ปรกริยาทางเคมีนี่มันเก่งนะ มันรู้เวลาด้วยมันต้องเกิดขึ้นวันออกพรรษาเพนาะวิทยาศาสตร์ยุคนี้เป็นอย่างนี้ไงนักวิยทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องไม่ใช่อย่างนี้คุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณทําได้ไม่เคยทําอะไรเลยมีแต่คาดคะเนียวพวกคุณจะบอกว่าพวกคุณเจอนักวิยทยาศาสตร์มาหลายปีแล้วเพิ่งเจอตัวจริงนั่งอยู่ที่นี่คนเดียวนี่คือนักวิยทยาศาสตร์ จิตจิตอาจารย์อ้อยแบบว่าตรงไปตรงมาก็บอกบอกไม่รู้ก็ไม่รู้นะเออก็ให้ฉันลองก่อนนักวิทยาศาสตร์เราต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองก่อนนะเมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ใช่นั่นละ่ะก็บอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรอันนี้เห็นปุ๊บก็คือไม่ใช่ก่อนนักวิทยาศาสตร์มาที่นี่บอกเฮ้ย hey, อุปทานหรือเปล่าบอกใช่เลยอย่าเพิ่งหนีนะไม่ใช่ผู้พูดอุปทานเพิ่งแล้วก็หนีนะ มาช่วยกันแก้อุปทานในเ้าหน่อยเรากําลังล้างอุปทานเราออกเห็นไหมซ่วมมันเต็มแล้วก็ก็สูบออกเมื่จะไปกดมันไม่เหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอเออพอมันวางแล้วมันก็เหม็นมากกลายเป็นเหม็นน้อยพอออกจากบ้านเข้ามามันก็เหม็นอีกอุปทานมันยังอยู่ไงเปิดฝาออกสูบมันหมดเลยตอนสูบนี่เหม็นมากเลยเขาก็ด่าเราด้วยเราบ้าต้องขันติอดทน วิริยะเมื่อสู่หมดแล้วมันก็ไม่เหม็นตลอดการนี่คือดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เราต้องขัดเกลาจิตใจพไม่ใช่ไปกดมันไว้ปวดหัวก็เอายาพารามากินแล้วครับให้ไม่ให้ประสาทมันทำงานระวังนะเดี๋ยวสมองอ่อบางคนเป็นเลิกจิตหลอนนะคุมสติไม่อยู่พลาวาดนะก็ให้มันกินนอนหลับเลยให้มันลืมอารมณ์นั้น ยาละ ง, งับประสาทมันมให้ประสาทมันทำงานมันก็ลืมนั้นก็เหมือนมันหายมันหายชั่วคราวอารมณ์บ้ามันก็ยังอยู่ถ้าอยากหายบ้าไม่ใช่ไปกดความบ้ารับบ้าไว้มาเอาความบ้าออกและสุดท้ายมันจะมีวันหายบ้าหายบ้าโดยเด็ดขาดมันจะไม่บ้ามาเกิดอีกพิสูจนได้ไง และพิสูจน์โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องขอวีซา่าเห็นไหมไม่ต้องเข้าคอร์สเรียนเลยคือปฏิบัติเลยมันมีอะไรง่ายขนาดนี้เวทีพิสูจน์ก็ไม่พิสูจน์เห็นปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอุปทานมาก็หนีแล้วนี่วิทยศาสตร์โลกมันถึงเป็นอย่างนี้ไงนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเขาไม่มักง่ายอย่างนี้เขาไม่เชื่ออะไรเขาต้องพิสูจน์ให้มันชัดเจนว่ามันไม่ใช่เพราะอะไร เพราะครูตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนักวิทยาศาสตร์มีแต่นักเรียนแบบวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็เรียนแบบไอน์สไตน์นั่นะเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเราต้องเก่งกว่าไอน์สไตน์แค่เรียนแบบเท่ากับไอน์สไตน์เนี่ยแสดงว่าเราไม่มีการพัฒนาเลยเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยเราต้องอย่าสรุปว่าใช่ไม่ใช่เราต้องทดลองทดสอบให้มาเห็นชัดเจนก่อนใช่ไม นักวิทยาศาสตร์ที่เขาสําเร็จอะไรก็ช่างเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อ้อยเอ๋อยชื่อคนคนหนึ่งพวกูไม่ค่อยจําชื่อแกหรอกนะวิจัยจนเป็นอามภภาตอามาพฤกเรียกว่าโรคอะไรไม่รู้ขยับไม่ได้เลยขยับได้กับตา ก, กระพริบอย่างเดียวก็ยังไม่เลิกนะก็กระพริบให้เลขาส่วนตัวเนี่ยบอกโค้ชเขาบอกรหัสเขานะเร็วๆนี้นี่ยเขาบอกรหัสอะไรรู้ไหมเขาเอาทฤษฎีเขามาบอกทานายฟุตบอลโลกว่าอังกฤษจะได้เป็นแชมป์ มันตกรอบแรกเลยไงอาจารย์อ้อยเลยหมดเลยบุคคลในจินตนาการก <c oughs> ็นี่ไงพิสูจน์เราเห็นแล้วเรื่องจะเป็นทับถือเหรอเห็นไหมแล้วบอกต้องใส่เสื้อแดงด้วยนะแล้วพอครูก็ตามอยู่มันก็ใส่เสื้อแดงจริงๆแต่มันตกรอบแรกไงคือมันสังเวชพ่อกรูบอกถ้าให้พ่อคูเจอหน่อยหนึ่งนะพวกคูมึงทําไมโง่อ ย, อย่างนี้ เรียนจนจบสูงขนาดนี้พัฒนาตัวเองจนเดินไม่ได้อยากสำเร็จนจนลืมกินข้าวนะลืมกินข้าวลืมอาบน้ำบางคนก็ลืมหายใจก็ต้องอาศัยออกซิเจนยเงี้ยถ้าอาจารย์อ้อยไม่ใช่จิตดีนะพูดอย่างนี้นี่เพ่นตั้งนานแล้วเพราะพวกครูเจอไงมาปุ๊บบอกด็อกเตอร์สามสี่คนพวกครูก็ให้เกียรติทุกคนนะพวกครูบอกที่นี้พวครูยิ่งกว่าให้เกียรติโดยพวกครูนับญาติ ทุกวันนี้ให้เกียดกันมือจับกันแต่ใจนั้นจ้องที่จะเอาเปรียบกันให้เกียดมันของปองเพาะครูนับญาติก็บอกอาจารย์จะมาอยู่กี่วันเฮ้ย <c oughs> ได้ยังไงไม่ว่างต้องรีบกลับ <c oughs> พ่อครูเลยบอกอาจารย์เคยลืมไมมตอนเด็กๆเกนี่ยนะ24ชั่วโมงเป็นของเราเลยตอนนี้ยิ่งเรียนจนจบปริญญาเอกเป็นผู้บริหารแล้วไม่มีเวลาคุณยิ่งเรียนคุณต้องฉลาดขึ้นเวลาคุณต้องเยอะกว่าเก่า ตอนนี้ยิ่งเรียนยิ่งไม่มีเวลาแล้วคุณจะเรียนไปทําไมนะมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วไงนี่แหละนักวิยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องไม่ทำตัวแบบนั้นต้องทําตัวฟังอย่าเพิ่งเชื่ออันนี้ปฏิเสธเลยปฏิเสธเลยกลัวมากกลัวมากคล้ายๆมาเจอยักษ์มานอะไรที่ไหนเนี่ยไหมโอ้ ก, กลัวมากเลยอุปทานหรือเปล่าพราะขาบอกใช่เลยไม่มีแม้แต่ดึงอย่างไม่ใช่อุปทาน เรากำลังล้างอุปทานที่เราเต้นเราลําเนี่ยเป็นอุปทานเดิมในอดีตที่จิตมันไปบันทึกสัญญาไว้กิเลส ท, ทาให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานเกิดทุกเรากําลังไปล้างอุปทานเก่าเราไงหมดถวิศาสตร์จะพิ่งนี้นะมาช่วยกันแก้กอุปทานเขาหน่อยไปผลิตวัคซีนมาแก้กอุปทานหน่อยกินปุ๊บทุกคนบรรลุธรรมเลยเนี่ยเพราะกูรอวันนั้นอยู่อ้าต้องทำอย่างนั้นวิทยาศาสตร์จริงๆต้องวิจัยเรื่องนี้ เราจะได้เห็นศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ไงนั่นแหละคนเก่งที่สุดต้องสามารถทําให้ตัวเองไม่ทุกข์ได้ต้องพ้นทุกข์ได้นั่นแหละสุดยอดของไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสรตนะมนุษย์ผู้ประเสริฐแค่เป็นพรหมนะพรหมวิหารคือที่อยู่ของมนุษย์ผู้เป ร, เริฐตายพื่ไปเป็นพรห ม, มโลกเกิดมาวันแรกก็แหกบากร้องอีกพรหมยังร้องไห้นะแต่สิ่งที่เราทําอยู่ที่ผู้เจ้าชี้ทางให้เราเนี่ย เป็นอริยวิหารเป็นอริยวิหารนะอันนี้แก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะเบ็ดเสร็จหลุดออกจากวัฏฏะสงสารเลยเราลงทุนมาตั้งหลายชาติแล้วนี่น่ะนักวิยาศาสตร์ควรไปวิจัยอาจารย์อ้อยต้องตายไม่ได้ถ้าบรรจุพันุ์ยังไม่เสร็จ นั่นละ่ะคือช่วยมนุษยชาติจริงๆทำให้มันหายโง่ไม่ใช่อยากจนทำงานไม่บรรยะบัรรยังลืมกินข้าวลืมนอนลืมหายใจอย่างนั้นน่ะแล้วไม่เรียกว่างโง่เรียกว่าอะไรเหรอคุณทำร้ายตัวเองตลอดแล้วคุณว่าคุณฉลาดเห็นไหมแล้ว เ, เกิดมาเจอสิ่งดีๆเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องมีห้องแลบ ทุกคนมีห้องแลบตัวเองแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเทคโนโลยีไม่ต้องเข้าคอร์ดเสียเงินไปลงทะเบียนเรียนไม่ต้องขอวีซา่ามันมีศาสตร์ไหนที่มันง่ายอย่างนี้เดินไปในป่าไปหลงทางในทะเลทรายก็ปฏิบัติได้เห็นไหมจะไปตีกรอบลืมถุงกรอบลืมเอาเงินไปด้วยก็ไม่ได้ตี อันนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยเราไปไหนเครื่องมือมันก็ตามเราไปด้วยมันมีศาสตร์ไหนที่มันง่ายขนาดนี้บางคนพ่อ ก, กูบอกว่าวิ่งวนเบี่ยงวางว่างถ้าว่างปุ๊บคือสงบสุขพวกครูมันวางยากๆพ่กครูถามว่าตำรวจจับไหมต้องขอวีซ่าหรือเปล่าต้องเสียเงินกี่บาทมันยากเพราะมันง่ายมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเห็นไม ฟังหูไว ห, หูทุกคนต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพึ่งเชื่อคนที่เขาพูดเป็นอาจารย์เราศรัทธาแบบหลงงมงายอย่าพึ่งเชื่อที่เขาทําทําตามกันมาอย่าพึ่งเชื่อที่เขาพูดพูดกันมาอย่าพึ่งเชื่อตําราผู้เจ้าบอกแต่อย่าพึ่งปฏิเสธง่ายๆเราต้องทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเอง ขนัดลงทุนวิทยาศาสตร์จนทำตัวเองเดี้ยงเดินไม่ได้กระพิบตาก็ยังเอาแล้วก็ยังไม่พ้นทุกเนะี่ยแล้วก็เกิดมาใหม่นะวันแรกก็แหกปากร้องอีกแต่นี่ถ้าเราทำตามผู้เจ้าช่วงที่ทำเนี่ยยังไม่รู้ทำก็ช่างเราได้อะไรรู้ไหมกายฟิต จ, จิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขไม่ได้เสียอะไรเลยได้ตลอดเวลาแล้วยังไม่ยอมทำไปทาอะไรก็ไม่รู้ ไปทรมานสังขารเพื่อความสําเร็จในชีวิตเพราะครูเคยถามอาจารย์อาาย้อยอาจารย์อาาย้อยที่ทำทำมาทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนมันเก่งๆต้องที่หนึ่งตลอดแน่นอนต้องขยันกว่าคนอื่นต้องอดหลับอดนอนกว่าคนอื่นบางทีต้องดื่มกินข้าวต้องดื่มหายใจด้วยมันถึงได้ขนาดนั้นละ่ะเพื่ออะไรอาจารย์อาาย้อยบอกความภาคภูมิใจภาคภูมิใจที่ไปไหนต้องหิ้วออกซิเจนไปด้วยน่าภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจจน เดินไม่ได้แต่ก็กระพริบตาสอนต่อคิดว่าฉันเก่งนะเอาทฤษฎีที่เรียนมาต่อช่วยจนตัวเองเด้งเดินไม่ได้เอาไปทํานายบอลโลกเห็นนักจิตวยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไงทีนี้เขาทําให้ดูเลยไงตกตั้งแต่รอบแรกเลยยังไม่เข็ดหลากมันหรอกนักวยาศาสตร์ยังเอาอีกอืแต่เขาก็ามีข้ออ้างอีกเนื่องจากวันนั้นฮวงชุ้ยมันเปลี่ยน เห็นไหมทฤษฎีมันผิดนิดหนึ ury, ่งเนื okay. ่องจากดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนเขาก็มีข้ออ้างเขาอีกเนาะนั่นแหละแต่คุณอ้างยังไงก็งไงก็ช่างเน่แล้วมันจะพ้นทุกหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกนี่แหละคนเก่งที่สุดศักยภาพของมนุษย์ที่สูงสุดที่อาจารย์อ้อยฝ่ายฝันน่ะเพราะคุณไอ้ฝันถูกแล้วไงโจถูกแล้วแต่เวลาไปทามันผิดไง เหมือนการศึกษาเราตั้งโจทย์ถูกให้เด็กคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นนี่พอครูบอกถูกแล้วแต่เวลามันสอนมันให้เด็กท่องจําจําเป็นไม่มีเวลาคิดเลยตั้งโจทย์แบบหนึ่งเวลาทำทำแบบนึงอันนี้เหมือนกันตั้งโจทย์ว่าเพื่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อสเกลภาพสูงสุดของมนุษย์สักลภาพสูงสุดของมนุษย์เกิ อ, อะไรเอาละเราพัฒนาจากคนไปสู่มนุษย์ผู้ประเสริฐคือพมวิหารแต่พมวิหารนี่เสพสุขอย่างเดียวยังไม่ผลทุกข์ทุกข์มากที่ต้องเสพสุข แต่เราพัฒนาสู่อริยบุคคลนั่นน่ะเข้าสู่นิาพานปุ๊บนั่นแหละคือศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ละนะไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นนั่นคือจบจริงๆนี่แหละคือสิ่งสูงสุดของมนุษย์ทุกคนซึ่งมันง่ายมากละไงแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรยากๆเลยแค่มาเต้นแรงเต้นกานี้เฉยๆแหกปากลอง เช็คกิ้งสกีมิ่งแดนซิ่งสปินนิ่งไล่ดาวบางทีก็ตายิ่งด้วยฝึกตายฝึกกำลังตายทำแค่นี้ทำแค่นี้ทำแค่นี้ทำไปเรื่อยๆนิพานอยู่ใกล้ๆมันมีศาสตร์ไหนที่มันง่ายขนาดนี้แต่เราไม่เอาเห็นไมเราชอบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องดีไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะไม่ใช่เรื่องไม่ดี มันเป็นศาสตร์วิชาหนึ่งเป็นกลางๆอยู่ที่ว่าใครจะฉลาดใช้มันนะอย่างน้นอยๆเราไม่พ้นทุกข์ก็ทำให้เราไม่ทุกข์หรือว่าเราสุขแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไปทุกข์กับมันเห็นไ้มนักวิทยาศาสตร์ไปทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ต้องไปคิดดีๆนะพราะครูพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าคนเป็น นักวิทยาศาสตร์เป็นคนดีหรือคนชั่วคนเป็นด็อกเตอร์เป็นคนดีหรือคนชั่วดีก็มีชั่วก็เยอะแต่พูดถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ความเป็นด็อกเตอร์ความรู้เรามันเกิดมาจากคนอื่นยัดเยียดให้เราเราเป็นน้าแค่นักก๊อปปี้นักเรียนแบบแต่พระพุทธเจ้านี่ละ ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลพระองค์เอาชีวิตของพระองค์เลยทั้งชีวิตเนี่ยไปทดลองทดสอบจริงๆนักวิทยาศาสตร์จะไม่พิสูจน์ได้ไหมเราปฏิเสธได้ไหมว่าเราเรียนขแขนงไหนก็ช่างเพื่อต้องการค้นพบความจริงแต่บังเอิญความจริงที่เราค้นพบเราไปคน้คนความจริงแค่อย่างเดียวบางคนตลอดชีวิตหนึ่งสําเร็จค้นพบ วัคซีนเดียวแต่โรคมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายโรคมันไม่ใช่โรคเดียวโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์มีคนไหนบ้างพยายามจะไปค้นคว้าวิจัยโรคที่รุนแรงที่สุดในมนุษย์โรคทุกข์เราไม่เคยไปวิจัยมันเลยเราวิจัยแต่สร้างเทคโนโลยี เพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างบนภาวะขึ้นมาให้มนุษย์มันทุกข์ก่อนให้มันไม่สบายก่อนแล้วก็ไปสร้างยามารักษามันไม่งั้นมันขายไม่ได้ถ้านักวิทยาศาสตร์เอาความคิดแบบวิทยาศาสตร์นั่นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายต้องทดลองทดสอบเอาตัวนี้มาวิจัยหนทางไปสู่การพ้นทุกข์มารักษาโรคทุกข์นั่นแหละ ย, ยิ่งใหญ่ ผู้เจ้ายิ่งใหญ่แล้วเราแค่ว่าลองใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดูสินะเคยมีนะญาติธรรมมุงกรุงเทพนะเขามีเงินเยอะมาปฏิบัติแล้วศรัทธาพระครูเขาพยายามคิดเอาเทคโนโลยีมาช่วยพระครูเขาบอกกับพระครูเอาไหมผมจะสร้างเขาสร้างไอ้เก้าอี้นั่งมันเหมือนผู้ชายตัดผมมันหมุนได้อะ กดสวิตซ์มันหมุนเลยเพราะว่านั่นแหละมันจะอ้วกแตกอ้วกแตก <laughs> มันใช้มันใช้หมุน <c oughs> เขาจะพยายามใช้ตัวหนุ่ยีก็ไม่เป็นไรก็ยังดีนะยังคิดหาทางให้เขาพ้นทุกข์อ่ะไม่ต้องเหวี่ยงจนคอคอเคดคออะไรนะใส่ขึ้นเครื่นนองเลยกดปุ่มแนละ้วมันหมุนเลยมีสปีดด้วย <c oughs> อหมุนจนให้มันเหาะได้เลยเอาไหม <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีนะเขายังคิด หาทางที่จะช่วยให้มนุษย์พลนทุกถ้านักวิทยาศาสตร์มาช่วยกันคิดหน่อยนะนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่อันนี้ไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้สร้างอาวุธนิวเคียงมาฆ่ากันเห็นไหมเสริมอาวุธทางปัญญาเพราะครูถามว่าเอาอาวุธปัญญาีไปฆ่าช้างฆ่าเสือที่ไหนมาฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองนักวิยทยาศาสตร์ทาได้แค่นี้เหรอ นี่แหละมันถึงเดี่ยงไงระวังนะคุณหมอที่มาปฏิบัตินี้เขาเริ่มระวังมากขึ้นนะผู้พิพากษา ม, มาปฏิบัตินี้ก็เริ่มระวังมากขึ้นตอนนั้นท่านตัดตัดสินคดีความเนี่ยท่านรู้เลยว่าจิตมันรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ผิดไงนะแต่พยานหลักฐานที่เขาสร้างขึ้นมานี่ล็อกตัวเลยถ้าไม่ตัดสินนี่เราก็ผิดวินัยถ้าตัดสินแล้วเราก็รู้สึกทุกข์มาก แต่ถ้าปฏิบัติแล้วมีปัญญาแล้วท่านสกิตว่าให้มึงคุยกันเถอะนะมึงอย่าเสียเวลาเลยน่ยมึงยอมรับกันเถอะเจ็บมากแค่เหลือเจ็บน้อยถ้าเรามีปัญญามีคุณธรร ม, มแล้วเราจะหาทางที่ว่าคือช่วยให้เขาทุกข์มากกลายเป็นทุกข์น้อยนะหรือแม้กระทั่งพ้นทุกข์ได้นั่นแหละคือความยิ่งใหญ่นะเนี่ยพ่อครูถึงรอบอกว่ายุคนี้เนี่ย เราไม่ใช้วิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์ของโลกยาวิเศษเม็ดนี้เนี่ยต้องพึ่งกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยต้องช่วยกันสร้างบรรจุภัณฑ์ที่นำเสนอแล้วเนี่ยพ้นทาวิยาศาสตร์พูดมีน้ำหนักในยุคนี้พระพุทธเจ้าพูดมาตั้งหล0งสองพันกว่าปีแล้วพระอรหันต์เจ้าก็พูดอยู่ อาจารย์พุทธทาสเขียนหนังสือไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเล่มแต่คมมันก็ยังทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ทั้วิทยาศาสตร์บอกเฮ้ยรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะนะ ah? จะเปิดขายวันนั้นอ่ะมันนอนตั้ง แ, แ, แต่เที่ยงคืนไปนอนเฝ้ากลัวจะเป็นที่สองทุนนิยมทำอะไรเชื่อมากเลยนะ ah? มือถือพวกูเด็กเต่ยตามข่าวนะมันจะออกรุ่นใหม่นะ ah? ตอนเช้ามันเปิดเก้าโมง ระนอนพ่ อ, องเด็กเที่ยงคืนเลี้ยงรอแถวจะไปซื้อเทคโนโลยีนะแต่พระเจ้าพูดอะไรไม่ไม่ไม่ชอบฟังนะแน่นอนกิเลสมันไม่ชอบแน่นอนทุนนิยมเนี่ยเขาเก่งมากเขารู้ใจกิเลสไม่ใช่เขารู้ว่ากิเลสเอ็กกิเลสมันชอบอะไรแต่พระพุทธเจ้ารู้เท่าทันกิเลสกิเลสมันเลยไม่ชอบ พรกิเลสมันหลอกผู้ที่เจ้าไม่ได้เห็นไหมแล้วทุกวันนี้เราทุกเพราะกิเลสไงกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปท า, านอุปท า, านทําให้เกิดทุกข์ผู้เจ้ารู้เท่าทันกิเลสบางคนบอกว่าพ่อครูเนี่ยกดมือถือก็ไม่เป็นเนี่ยมันก็ถือเจ้าแก้วก็กินก็กินๆไม่รู้ข้างหน้าข้างบนไม่รู้กดยังไงมันก็กดไม่ได้ก็ไม่ต้องกดหรอกนะ คือคือแต่เราไปไปเอาเรื่องพวกนี้เอาเก่งแบบนี้นะก็บอกว่าพวกครูนี้เต่าล้านปีไม่ทันสมัยเข้าใจผิดเข้าใจใหม่ได้นะพวกครูทันสมัยมากๆเลยแต่พวกท่านนั่นแหละตามสมัยตามไปว่าไม่ทันไปว่าทานพ่กครูทันสมัยว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้พวอครูรู้หมดก็รู้เท่าทันมันเลยถึงไม่ต้องไปใช้มันไง นใครแน่แ่ใครแน่แน่ใค ร, ใครจริงจริงที่ไม่ทันสมัยกันแน่เพราะครูทันสมัยการว่าคำว่ารู้ธรรมเนี่ยไม่ได้ไปว่ารู้มากไม่ได้ไปว่ารู้บาลีไม่ใช่ว่ารู้ภาษารู้วิชาการคำว่ารู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งพราะครูรู้ว่าโลกใบนี้มันเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไม่ใช่ไปตามเขาทุกเรื่อง เราก็เลือกไอ้สิ่งที่นี่พ่อคูเลือกเห็นไหมพ่อครูกําลังเลือกเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เอามาทําบรรจุพันธุ์ส่งสิ่งนี้เนี่ยไปให้กับมนุษยชาติโดยไม่ต้องคิดสตังค์เห็นไหมแก้วก็ทํา y ำยูทูปก็ถามว่ายู u ูปมันเป็นยังไงนะไอ้ไอ้ไอ้ส่งกันไปส่งกันมามันเป็นยังไงถามเป็นยังไงตั้เป็นยังไงยังไงโอเครู้แล้ว เราก็ใช้ช่องนี้เราก็ต้องใช้มันเพื่อให้ไม่ใช่ใช้มันเพื่อเอาถ้าใช้มันเพื่อเอาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์เพราะมันเป็นอาหารเลี้ยงกิเลสถ้าเราใช้มันเพื่อให้เป็นการสลัดกิเลสออกมันมันกลับกันนะนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้าทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เรา นะก็วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรไม่ต้องปฏิบัติต่อนะทุกคนจะได้ไป น, นอนเดี๋ยวก็มีชุดใหญ่พรุ่งนี้เช้าก็เดินทางแต่ชาก็พอถือโอกาสนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนธรรมะกันนะให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันพื้ิิปฏิบัติมา ได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผล น, นิพพานโดยไวยเถนแล้วก็ให้ทุกท่านเดินทาง